เสียงานหนังสือพระอริยบุคคลเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณการศึกษาเรื่องการบรรลุธรรมจากชีวิตคุณสมบัติและปฏิปทาของพระอริยบุคคลจนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจะทำให้ปุถุชนได้เข้าถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยแล้วเรื่องนิพพานได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องลึกซึ้งมากขึ้นอันมีผลต่อการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ธรรมได้ถูกต้องตรงทาง ส่งให้เกิดความมั่นคงในอริยมักและช่วยสืบต่อรักษาพระศาสนาได้ยาวนานมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จะอธิบายความหมายเชิงลึกในหลายแง่มุมที่หลายคนมักมองข้ามและไม่ค่อยนำมาพิจารณาพร้อมคำแนะนำแนวทางและไขข้อสงสัยที่มักเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนเพื่อการนำหลักธรรมมาใช้กับคารวาสที่แม้บางคนยังต้องทาอาชีพเสี่ยงบาปหรือยังติดในทางโลกยังรักษาศีลบัง้อไม่ได้ ได้เข้าใจในคุณแห่งพระพุทธศาสนาให้นำหลักธรรมมาปรับใช้ได้เหมาะสมเพื่อเป็นหลักพัฒนาตนและสังคมส่งเสริมความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ดียิ่งขึ้นต่อไปหัวข้อสำคัญเช่นการละสักยะทิฏฐิของพระโสดาบันคือละความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองได้หรือเข้าใจชีวิตตัวเองอย่างถูกต้องมีความหมายลึกซึ้งอย่างไร คุณสมบัติ5อริยสัพจและความสิ้นสงสัย8ประการของพระโสดาบันผู้ฝ่ในธรรมกับอาชีพที่ยังต้องผิดศีลบารมีสิบกับความพร้อมแห่งการบรรลุธรรมสิ่งที่ต้องเข้าใจเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องการสอนศาสนาและการนำธรรมะไปใช้ให้เหมาะสมกับคนแต่ละระดับเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ศึกษาหนังสือเล่มนี้ควบคู่กับหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยเฉพาะในตอนว่าด้วยเรื่องพระโซดาบันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของทุกท่านในหลายด้านต่อไปนะครับอ่านโดยอริยะคุณชมรมผลดีร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักไพศาลเตชาวิลีกุลกิ่งการอารักพุทธนันครอบครัวอริยชาติพดุงกิจเจ้าภาพรองครอบครัวขหาสุวรรณจวิตสีโพา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 สรุปสาระสำคัญจากหนังสือพระอริยบุคคลเขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณเพื่อเข้าใจภาพรวมเบื้องต้นหรือไว้ฟังทบทวนภายหลังแนะนำว่าหากเจอเนื้อหาที่รู้สึกค้านหรือขัดแย้งกับความเชื่อเดิมขอให้ฟังคำอธิบายโดยละเอียดจากเนื้อหาหลักให้จบก่อนแล้วค่อยเชื่อหรือปฏิเสธจะเป็นผลดีต่อตัวท่านเองนะครับพระอริยบุคคล คือผู้บรรลุ ธ, ธรรมตามหลักในพระพุทธศาสนาได้แก่โสดาบันสกัดฐาคามีอนนาคามีและอรหันต์คำว่าพระอริยะไม่ได้หมายถึงแค่นักบวชแต่คําว่าพระความหมายหนึ่งแปลว่าผู้ประเสริฐมักใช้เป็นคํานําหน้าเพื่อเป็นการยกย่องและพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยที่ให้ยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้น คือสาวะกะสังโฆหรือสาวกสงฆ์หมายถึงอริยาสาวกคือผู้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเท่านั้นซึ่งมีทั้งภิกษุและฆรวาสการเข้าถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยได้จริงต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นแต่แม้อย่างนั้นในปุถุชนถ้าหากได้ศึกษาชีวิตของพระอริยบุคคลให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ก็ยังสามารถเข้าใจคุณความดีของพระรัตนตรัยได้ซึ่งมักจะมีความเข้าใจผิดหลายด้านที่ส่งผลเสียต่อการศึกษาการนำไปปฏิบัติและการเผยแพร่ธรรมที่มีผลทั้งกับตนเองและสังคมในวงกว้างการศึกษาชีวิตของพระอริยะจนเข้าใจแจ่มแจ้งจะได้แนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมทุกด้าน ไปพร้อมกับความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยในที่นี้เป็นบทความต่อจากเรื่องพระรัตนตรัยซึ่งได้จัดทําเป็นเสียงานไปแล้วเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของความหมายที่ว่าสังคังสรณะฆาฉามิพระสงฆ์คือพระอริยบุคคลซึ่งมีทั้งพระและคารวะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอย่างหนึ่งของโลกเพื่อการยึดเป็นสรณะอย่างถูกต้องตรงทางต่อไป การศึกษาเรื่องนิพพานโดยไม่ศึกษาเรื่องพระอริยบุคคลให้เข้าใจโดยละเอียดจะทำให้ความเข้าใจนิพพานไม่สมบูรณ์และจะไม่เกิดความคิดวางรากฐานการศึกษาเศรษฐกษิจการปกครองและอื่นๆให้สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องซึ่งถ้าทมสำเร็จสังคมจะอยู่อย่างมีปัญญาเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับสันติสุขปลอดภัยหลักสาคัญในการบรรลุธรรม คือการละสังโยชน์ได้สังโยชน์คือกิเลสเป็นเครื่องผูกมัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์หรือวัตตาการเวียนว่ายตายเกิดมีสิบอย่างผู้ที่ละขาดได้ทั้งหมดจึงบรรลุอรหันต์พ้นทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดเข้าถึงความว่างได้อย่างแท้จริงคําว่าสัตว์ในทางธรรมหมายรวมถึงเทพมารพรมมนุษย์เปรตอสุรกาย ยรชานและสันนรกแต่ในบาลีเพ่งเอามนุษย์ก่อนอย่างอื่นซึ่งจะต่างจากในภาษาไทยที่มักหมายถึงสัตว์ยรชานอย่างเดียวนะครับพระโสดาบันคือผู้แรกถึงกระแสพระนิพพานซึ่งตรงกันข้ามกับกระแสแห่งตันหาพระโสดาบันตัดสังโยชน์ได้สมอย่างคือสัจกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิละพะตาปรามาต โดยตัดได้เด็ดขาดตลอดการในสันดานส่วนลึกไม่มีเหลืออยู่เลยจิตใจจะสงบแจ่มใสเกิดความรู้จักภายในที่นอกเหนือประสาทสัมผัสเข้าใจเรื่องชีวิตต่างๆได้โดยไม่ยากดังพุทธพจน์ว่าพระเส ค, คะคือพระโสดาบันขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงอรหันต์จะรู้แจ้งยงมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกจะรู้แจ้งบทแห่งธรรม อันตรธาคตแสดงไว้ดีแล้วสักยญทิฏฐิคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนผู้ที่ละสักยญทิฏฐิได้จะเห็นชัดว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีมีแต่ตัวตนที่เป็นวิบากรู้ชัดว่าคนเราเกิดมาได้ ไม่ใช่แค่มีพ่อแม่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเท่านั้นแต่จุดสําคัญคือเกิดมาจากวิญญาณหรือจิตของเราเองซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งจะรู้ถึงการมีอยู่ของกระแสวิญญาณรู้ว่าร่างกายกับวิญญาณหรือจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันคนตายแต่ร่างกายถ้ายังมีกิเลสวิญญาณจะสร้างร่างกายขึ้นใหม่แทนร่างเก่าเสมอ ซึ่งเป็นกระบวนการเห็นการเกิดและสืบต่อของชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเป็นความรู้แจ้งจากภายในไม่ใช่จากการท่องจำหรือเชื่อตามกันมาคุณสมบัติของพระโสดาบันอันเป็นพุทธวจนะโดยตรงคือเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นผู้มีศีลบริสุทธ และเป็นผู้รู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทกระบวนการที่ควรใส่ใจตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็คือข้อที่ว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือทั้งนามธรรมและรูปธปรรมหากเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีจะเข้าใจได้ว่าพระอริยบุคคลมีความเข้าใจเรื่องชีวิต แตกต่างกับบุถุชนเพียงไรซึ่งหลักนี้คือหลักสำคัญของกฎแห่งกรรมและการกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลที่ทำให้รู้ชัดว่าพลังแห่งจิตหรือวิญญาณก่อกำเนิดเป็นวัตถุทั้งร่างกายและสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นภพต่างๆได้อย่างไรซึ่งแม้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับผ่านการทดลองในจักรวาลจาลองแล้วว่ามีพลังงานนมามธรรมบางอย่างที่ก่อกาเนิดอนุภาค มาจากความว่างเปล่าได้จริงพระโสดาบันรู้แจ้งว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายนี้แต่หมายถึงจิตส่วนลึกที่มีการเกิดดับสืบต่อตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกสิ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราจึงปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องร่างกายได้ไม่รู้สึกว่าเราแก่เราเจ็บเราตาย จึงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ไม่กลัวต่อความตายดังพุทธพจน์ที่ว่าเธอจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณะจิตเมื่อถอนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้แล้วจะอยู่เหนือความตายข้ามพ้นความตายได้ผู้ที่จะปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้จริงจิตใจส่วนลึกต้องมีความสงบอันประณีต ถึงขั้นรู้แจ้งจากภายในได้ได้รู้เห็นเข้าใจในสิ่งที่ตาปกติมองไม่เห็นเป็นต้นต้องเชื่อเข้าใจว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงเวียนกรรมมีจริงตายแล้วไม่สูญตราบใดกิเลสยังไม่หมดสิน้นการตายชาตินี้ก็เหมือนงูลอกราบเก่าทิ้งไปเท่านั้นพระโสดาบันรู้แจ้งว่า มโนคือวิญญาณหรือจิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสาเร็จมาแต่วิญญาณจึงไม่กลัวความลำบากไม่กลัวความจนเพราะรู้ชัดว่าเมื่อมีอริยทรัพย์คือคุณธรรมเจ็ดประการในใจอย่างบริบูรณ์แล้วความจนความลำบากจะเป็นของชั่วคราวเท่านั้นถ้าจะมีก็เพียงเพื่อทดสอบว่าเราได้เข้าถึงคุณธรรมจริงหรือไม่ และเมื่อผ่านไปได้จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นเพิ่มพูนวิริยะบารมีขันติบารมีเป็นต้นให้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพ้นทุกเพื่อการบรรลุธรรมในขั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอริยทัพย์หรือทรัพย์ภายในเจดประการอันเป็นคุณสมบัติประจำตัวของพระโสดาบันคือศรัทธาศีลอิริโอตตปะ สุตตะหรือพาหุสัจจะจาคะและปัญญาสัทธาคือความเชื่อที่มีเหตุผลมั่นใจในหลักที่ถือและในการดีที่ทำสีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยประพฤติถูกต้องดีงามอิริความละอายใจต่อการทำความชั่วหรือบาปอดตับปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือบาปสุดตะหรือพาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากจาคะความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และปัญญาความรู้ความเข้าใจทองแท้ในเหตุผลดีชั่วถูกผิดคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้คิดรู้พิจารณา แล้วรู้ที่จะจัดทาอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งทรัพย์ภายนอกที่ปุถุชนมองไม่เห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้ดีมีสุขอย่างไรดังพุทธพจน์ว่าถวยเทพละมนุษย์ปรารถนาผลใดเช่นความเป็นใหญ่มีบริวารมีรูปร่างและผิวงามเสียงเพราะยอมได้ด้วยบุญ ที่สาสามเอไว้คำว่าสะสมเอาไว้เน้นหมายถึงบุญจักชาติก่อนที่นำมาเกิดในชาตินี้เพราะบุญที่ทำในปัจจุบันชาตินี้หลายอย่างก็ต้องรอออกผลในชาติหน้านะครับและก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบุญเก่าที่ส่งให้เกิดมารวยมีอำนาจหรือหน้าตาดีหากยังไม่บรรลุขั้นโสดาบันขึ้นไปก็ไม่มีอะไรการันตีว่า จะมั่นคงในการทําดีเหมือนชาติก่อนบางคนเพราะมีบุญเก่ามากเลยลงผิดอาศัยบุญเก่าทําบาปใหญ่ในชาติปัจจุบันได้กว้างขวางกว่าคนปกติหลายเท่าเมื่อบุญหมดจึงต้องรับผลเผ็ดร้อนยาวนานอย่างประมาณไม่ได้ถ้าให้ผลชีวิตนี้ไม่ทันเพราะบุญเก่ายังหนุนอยู่ก็จะส่งต่อไปให้ผลหลายชาติข้างหน้าต่อไปการบรรลุโสดาบันขึ้นไปเท่านั้น จึงหยุดเจตนาในการเบียดเบียนปิดอบายภูมิได้อย่างสิ้นเชิงเพื่อความปลอดภัยจึงควรฝึกเจริญสติให้มากพอเพราะเป็นสิ่งเดียวที่คุ้มกันจากความเมาวพลแห่งบุญเมื่อเกิดใหม่ได้ดีที่สุดแม้ยังไม่บรรลุธรรมก็ตามสังโยชน์ข้อที่สองที่พระโสดาบันตัดได้ขาด คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศีลสมาธิปัญญาในอดีตอนาคตปัจจุบันและในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในพระรัตนตรยัยเช่นในพุทธคุณคือไม่แน่ใจในพระพุทธเจ้าว่ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ในบทพุทธคุณที่มีมาในบทสวดอิติปิโสเป็นต้น ไม่เชื่อว่าคนเราจะละกิเลสได้จริงไม่เชื่อว่าทรงเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งทุกสิ่งด้วยจิตของพระองค์ทรงมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้เป็นต้นพระอาริยะจะมีความทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรยัยไม่ว่าจะทำอะไรจะนึกเอาพระรัตนตรัยเป็นหลักไว้เสมอในธรรมคุณสังฆ ค, คุณท่านเห็นความจริงจากตัวเอง จึงสิ้นสงสัยในคุณแห่งพระรัตนตรยัยเปรียบเหมือนคนที่เคยทำดีด้วยจิตบริสุทธิ์ย่อมอนุมโมทนาในการทำดีของคนอื่นได้ง่ายและลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปดังคำว่าคนดีเห็นความดีคนอื่นได้ง่ายคนชั่วเห็นความดีคนอื่นได้ยากทำดีแล้วคนอื่นไม่เห็นค่าอาจเพียงเพราะว่าเขาชั่วเกินกว่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราทานะครับ ความสิ้นสงสัยในพระรัตนตรัยและในอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ลังเลในการเลือกธรรมแต่ในทางที่ดีเสมอไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องปรึกษาใครไม่ลังเลไม่คิดมากต่างกับปุถุชนที่ยอมผิดศีลได้เพื่อเงินและอำนาจที่ต้องการการจะตัดสินใครว่าเป็นอริยบุคคลจะดูในแง่ปล่อยวางเรื่องตัวตนได้ แสดงธรรมเดียดลึกซึ้งรักษาศีลบริสุทธิ์มากน้อยสันโดษเท่านี้ยังไม่พอต้องมีปัญญาหลักแหลมลึกซึ้งที่เป็นความรู้แจ้งจากภายในด้วยบางเรื่องที่ควรรู้แต่กลับไม่รู้ไม่เข้าใจคิดไม่ได้ว่าไม่ควรทำหรือสุดตรงเกินไปหรือเข้าใจอะไรแง่มุมเดียวที่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่เข้าใจไม่ครบถ้วนเปรียบเหมือนตาบอดคลำช้างที่สัมผัสอวัยวะเพียงส่วนเดียว และคิดว่าช้างมีรูปร่างแบบนั้นเท่านั้นตัวอย่างผู้แตกฉานในธรรมและเคร่งครัดในศีลแต่ห้ามคนกราบพระพุทธรูปหาว่างมงายไปไหว้ยิดไหว้ปูนทําไมทั้งที่ควรสอนว่ากราบด้วยจิตอย่างไรให้เป็นพุทธานุสติจึงเกิดบุญเป็นผลดีและกราบด้วยจิตอย่างไรจึงงมงายกลายเป็นยึดติดในตัวบุคคลเป็นศินลปตฐะปรามาสส่งผลเสียไม่ควรทําเป็นต้นนะครับ ความไม่สงสัยในอดีตปัจจุบันอนาคตและปฏิจจสมุปบาทคือแน่ใจว่าเราเคยเกิดมาแล้วเมื่อตายถ้ายังมีกิเลสก็ต้องเกิดอีกในปัจจุบันก็รับผลสืบเนื่องมาจากอดีตและจะเป็นเหตุถึงอนาคตต่อไปถ้ายังเอาชนะทุกข์ไม่ได้ก็ต้องทุกข์อีกทุกจากสังโยชน์ข้อใดที่เอาชนะได้แล้วจะไม่เกิดกับเราอีกแล้ว เป็นการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงจึงสิ้นสงสัยคือวิจิกิจฉาในเรื่องเหล่านี้อย่างถาวรผู้ตัดวิจิกิจฉาความสงสัยได้ทั้งหมดไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรจะทำไปพร้อมกับการมุ่งสู่ความหลุดพ้นลากความชั่วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถ้ามีอำนาจมีความรู้จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติจริงๆ ตัวเองจะลำบากไร้เกียรติก็ไม่เดือดร้อนท่อมตัวสุภาพให้เกียรติไม่เหยียดยามเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายในทางที่ถูกเป็นสิ่งที่ไม่ต้องหัดไม่ต้องอบรมแต่จะเกิดขึ้นมาเองเมื่อจิตเข้าถึงความสงบอันปราณีตและละสักยาทิฐิได้สังโยชน์ข้อที่สที่พระโสดาบันละได้ คือศิลปตาปรามาศการยึดมั่นในศิลพจหรือวัดคือการทำอะไรอย่างงม ง, งายโดยไม่เข้าใจเหตุผลความเชื่อและการกระทาที่ขัดแย้งต่อหลักปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งกรรมหรือสวนทางกับอริยมรรคอิทธิพลของประเพณีวัฒนธรรมที่เชื่อสืบต่อกันมาจะไม่มีอิทธิพลต่อพระอริยให้ทาตามท่านจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง แล้วรู้ชัดแน่นอนว่าทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นคืออริยมรรคหรือศีลสมาธิปัญญาคือตั้งแต่สมาธิจิจนถึงสัมมาสมาธิเท่านั้นก็ปฏิบัติใดที่ขัดแยง้งหรืออยู่นอกเหนืออริยมรรคถือเป็นศีลลพฐาปรามาทั้งนั้นรู้ชัดถึงเหตุผลว่าทำไมต้องถือศีลถืออย่างไรให้ไม่สุดตงท้าไมปฏิบัต จะมีผลอย่างไรตีความพระธรรมวินัยได้ถูกต้องและนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมเห็นความเกี่ยวข้องของศีลสมาธิปัญญาที่จะขาดอย่างใดไปไม่ได้ทำทุกอย่างด้วยความเข้าใจเหตุผลชัดเจนหมายเหตุแต่ในพระวินยัยมีข้ออนุญาตจากพระพุทธเจ้า ให้อนุโลมทำบางอย่างตามศรัทธาของญาติโยมได้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่เป็นการหักด้ามพระด้วยเขากับเรื่องเล็กน้อยที่ชาวบ้านยังนิยมทำบางอย่างสืบต่อกันมาแต่ต้องทำไปด้วยจิตที่เห็นชัดว่าความจริงคืออย่างไรหลายอย่างเป็นการเสริมกำลังใจให้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจทำหรืออินทรีย์บารมีทางธรรมยังอ่อนเหมือนเด็กเล็กที่จะให้ยาเท่าขนาดของผู้ใหญ่ไม่ได้ แต่ก็ควรพิจารณาให้พอดีไม่ใช่อนุโลมกันจนเกินไปหรือไม่ท้วงติงแนะนำตักเตือนสั่งสอนให้เข้าใจเหตุผลที่แท้กันบ้างเลยการสอนศาสนาส่วนใหญ่มักสอนตามตัวหนังสือขาดการเข้าใจเหตุผลอย่างท่องแท้ชาวพุทธจึงมักทำอะไรด้วยความงมงายทำให้ผู้มีปัญญาดูถูกและไม่สนใจศาสนาเท่าที่ควรหรือมองว่า คำสอนหลายอย่างขัดแย้งกับความเจริญทั้งโลกแค่ถือศีลห้าก็ทำอาชีพหลายอย่างไม่ได้แล้วถ้าคนแคร่งในศาสนาประเทศจะไม่เจริญหรือคิดกันไปว่าพระอริย์ดีจริงแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่สังคมเพราะไม่ยอมทำผิดไม่อาจเป็นผู้ปกครองหรือทำงานใหญ่ไม่ได้เพราะเท่ากับเอาพระมาทางานอย่างครวะ ด, ดูจากตัวอย่างคนที่ร่ำรวยมีอานาจมาก วิถีชีวิตที่เห็นจะต้องผิดศีลกันบ้างคนเ ค, คร่งรัดจริงต้องไปบวชเท่านั้นถึงจะอยู่ได้เราควรเข้าใจว่าต่อให้พระพุทธเจ้ายัางทรงอยู่ก็ไม่สามารถทำคนทั้งหมดให้ถือศีลบริสุทธิ์หรือมาบวชทั้งหมดได้แต่พระอาริยะทุกองค์จะรู้จักกาลาเทศะในการสอนคนและการทากิจต่างสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง จากจิตภายในสามารถกลับใจคนให้เลิกละจากกรรชั่วได้แต่ปัจจัยสำคัญไม่ได้อยู่ที่การสอนแต่อยู่ที่พื้นนิสัยของแต่ละคนเหมือนการปลูกข้าวแม้จะมีวิธีที่ดีแต่ปลูกในดินไม่ดีย่อมเสียเวลาและไม่ได้ผลถ้าปลูกในดินที่ดีการสอนคนที่เหมาะสมก่อนจนได้ผลคนเหล่านั้นจะไปช่วยสังคมในวงกว้างได้ต่อไป คนยากจนมากการสอนพุทธศาสนาต้องมีวิธีอีกอย่างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกื้อกูลด้วยปัจจัยสี่ด้วยเพราะตราบใดท้องยังหิวก็ยากจะรับธรรมะเข้าสู่ใจหรือรักษาศสีลนให้บริสุทธิ์ได้ถ้าใครได้อ่านประวัติหลวงปู่มั่นจะพบว่าท่านสอนชาวบ้านชาวเขาท่านจะแนะนำเรื่องปากท้องให้อยู่รอดด้วยดีเป็นสำคัญไม่ใช่สักแต่อยู่ดีๆจะไปยัดเยียดสอนธรรมะกันอย่างเดียวนะครับ หรืหลวงพ่ออารมกดวัดพระบาทน้ําพุหลวงพ่อพยายามวัดส่วนแก้วหลายท่านตําหนิงานช่วยคนของท่านว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่กลับไม่เข้าใจว่านั่นเป็นการให้คนเหล่านั้นเข้าถึงธรรมดิวทางอ้อมแด่ดีที่สุดในขณะนั้นของเขาแล้วอย่างน้อยที่สุดการได้รับความช่วยเหลือยามลําบากก็จะตราตรึงใจให้เลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุสงฆ์และถ้าหากเป็นความรู้สึกในจิตก่อนตายก็ส่งพวกเขาไปสู่สุคติได้ง่ายขึ้น ดังตัวอย่างคนป่วยใกล้ตายที่ไม่เคยทำบุญมาก่อนเลยแต่ได้พบพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นใจเกิดปีติโสมัะอย่างแรงกล้าก็นำไปเกิดเป็นเทวดามีทิพยาสมบัติอันปราณีตได้เช่นกันพระอาริยะจะรู้ดีว่าคนส่วนมากในโลกยังต้องทำบาปไม่มากก็น้อยการสอนจึงเป็นไปอย่างเหมาะสมตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนโจร กรณีไม่สามารถสอนให้เลิกเป็นโจรได้ก็ให้รู้จักมีคุณธรรมบางอย่างให้ละเว้นบางสิ่งเสียบ้างเป็นการปลูกฝังให้มีเชื้อดีติดตัวไว้ส่วนหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนกับการเลิกยาที่บางคนอาจต้องค่อยๆลดขนาดแต่บางคนก็หักดิบได้ในคราวเดียวความจริงของโลกคือคนทั้งหลายจะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ผิดศีลข้อใดเลยพร้อมกันไม่ได้ เพราะพื้นเดิมของจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันและการงานหลายอย่างก็ต้องผิดศีลเช่นชาวประมงหรือแม่เกษตรกรที่ต้องพ่นยาฆ่ า, มาแมลงเป็นต้นพืชผักที่คนกินเจหวังบุญนั้นบางทีก็อาจมาจากการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยจำนวนมากเช่นกันนะครับการที่คนส่วนใหญ่ยังรู้ตัวว่าทำผิดเป็นบาปและคิดว่าวันหนึ่งจะลดหรือเลิกท มีความเชื่อเรื่องบุญบาปยังมีการละเว้นหรือมีคุณธรรมบางด้านบ้างในที่สุดคนเหล่านั้นก็จะค่อยๆก้าวขึ้นสู่ความดีมากขึ้นโดยลำดับสังคมก็จะเดือดร้อนน้อยลงปัญหาความเลวร้ายในสังคมส่วนใหญ่มีแหล่งมาจากคนชั่วไม่กี่คนที่มักเป็นคนฉลาดและมีอิทธิพลมากไม่มีใครกล้าไปสอนหรือจัดการหรือเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ได้ เรามีวัดอยู่ทั่วประเทศแต่ก็มีแต่ปริมาณส่วนคุณภาพมีไม่พอแต่จะเห็นได้ว่าพระที่มีคุณธรรมสูงฉลาดรอบรู้แม้ยังไม่ใช่อริยะถ้าได้รับความเคารพจากคนมีอำนาจและปัญญาชนก็มีอิทธิพลโน้มน้าวให้อยู่ในศีลธรรมได้ไม่น้อยเลยหมายเหตุแต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ากับคนชั่วบางคน แม้พระพุทธเจ้ายัางสอนไม่ได้บางกรณีก็เป็นกรรมหมู่ของคนในสังคมเมื่อคนส่วนใหญ่ไร้ศิลธรรมก็คงยากจะดึงดูดคนมีศิลธรรมมาปกครองกรรมหมู่อยางที่เรามองข้ามเช่นคนจํานวนมากไม่ยื่นภาษีหลีกเลี่ยงโกงภาษีซื้อของหนีภาษีซึ่งเป็นกรรมที่โกงคนทั้งชาติวันหนึ่งย่อมส่งคนมาเบียดเบียนผลประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมของเราได้เช่นกัน พระโสดาบันผู้ฝ่ายในธรรมกับการปกครองบ้านเมืองและการทำอาชีพที่ยังต้องผิดศีลคนส่วนมากมักเข้าใจผิดในการปฏิบัติธรรมเหมือนดังที่หมอมราชวงศ์คกฤตปราโมชผู้สรงอิทธิพลต่อ บ, บ้านเมืองอย่างมากในยุคหนึ่งได้ให้ความเห็นไว้ว่าคนธรรมดาที่ยังครองชีวิตยังโลกโลกนี้ไม่มีทางทำพระนิพพานได้คนจิตว่าง ไม่สามารถทำงานในโลกนี้ได้โดยเฉพาะเศรษฐกิจจะไม่ก้าวหน้าเพราะทางด้านนี้ต้องมีความเห็นแก่ตัวหรือยังมีกิเลสนั่นเองและคนที่มาเล่นการเมืองมาปกครองประเทศไม่มีการทำพระนิพพานได้แน่คนที่ศึกษาธรรมะจากตัวหนังสือไม่ได้ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาหรือปฏิบัติแต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะไม่มีทางเข้าใจหลักธรรมได้กว้างขวาง แล้รู้จักนำมาใช้ให้ถูกต้องการพิจารณาธรรมตามตัวหนังสือด้วยหลักตรร ก, กะวิทยามีทางผิดพลาดได้ง่ายมากสมัยพุทธกาลมีผู้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลจำนวนมากซึ่งยังคงมีครอบรัวประกอบอาชีพค้าขายหรือทำกสิกรรมตามเดิมรวมถึงเป็นผู้ปกครองประเทศอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารพระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้น จึงตัดกามราคาได้ประโสดาบันยังคงมีความสัมพันธ์ทางเพศได้เพียงแต่อยู่ในศีลและไม่ลุ่มหลงฝักใฝ่เรื่องนี้เท่าปูถุชนเปรียบเทียบการกินอาหารที่คนหนึ่งกินเพื่อประโยชน์ของร่างกายกับอีกคนกินเพื่อความอร่อยแม้รู้ว่ามีโทษก็จะกินมีแต่ความอยากกินแม้ร่างกายยังไม่หิวหรือได้รับสารอาหารเพียงพอแล้วก็ตาม คนเราเกิดมาหลายล้านชาติจะตัดเรื่องพวกนี้ได้เด็ดขาดทันทีทําได้ยากต้องอาศัยการสะสมบารมียาวนานซึ่งไม่ต่างกับการเลิกยาของคนที่ติดยาแม้ใจจริงอยากเลิกไม่ฝากไฟแล้วแต่ร่างกายเสพติดมานานก็ต้องค่อยๆลดขนาดลงเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกายดังนั้นผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันอาจมีการกระทําภายนอกที่ไม่ต่างจากคนทั่วไป ยังใช้ชีวิตปกติได้เช่นกันเพียงแต่ทำด้วยจิตว่างปราศจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราปัญหาที่เห็นว่าคนฝ่ธรรมทำงานไม่ดีนั้นไม่ใช่เพราะเขาสนใจธรรมะแต่เพราะประสบการณ์ในการทำงานหรือความฉลาดยังไม่พอรวมถึงไม่รู้จักนาธรรมะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะแต่ถ้าสาเร็จเป็นพระอริยะแล้ว จะฉลาดรอบรู้ลึกซึ้งกว่ามากถ้ามีโอกาสได้ปกครองก็จะทำออกมาได้ดีกว่าและอย่างเป็นธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเรื่องของงานที่ต้องเสี่ยงต่อการผิดศีลที่พระอาริยะไม่น่าจะมาทำได้นั้นขอให้ดูตัวอย่างพระเจ้าพิมพิสารที่ปกครองประเทศได้ตามปกติหรือภรรยาในพรานผู้สำเร็จโซดาบานแล้วแต่เช้ามาต้องเตรียมเครื่องมือให้สามี เมื่อได้มาก็นามาทำอาหารหรือนาไปขายให้ซึ่งมีพุทธพจน์ว่าถ้าฝ่ามือไม่มีแผลย่าพิษย่อมไม่เข้าสู่ร่างกายบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กระทามบาปเพราะอากุศลลเจตนาไม่มีคนที่ดูภายนอกเหมือนทาบาปอาจไม่เกิดเป็นบาปเพราะเจตนาไม่มีแต่ทําไปตามหน้าที่ที่สมควรเท่านั้นหากพระอริยะจะสั่งลงโทษ ก็ต้องร้เจตนาทำร้ายมีจิตเมตตาอย่างเปี่ยมล้นซึ่งต่างจากปุถุชนที่ถือศีลบริสุทธิ์เพียงไรแต่จิตส่วนลึกยังไม่บริสุทธิ์เท่าพระอริยะซึ่งให้ดูตัวอย่างในพระอระหันต์ที่ทำอะไรไม่เป็นกรรมไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นการละสักยทิฏฐิได้แล้วจะทำอะไรด้วยจิตว่างไร้ความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของเราการละเมื่อศีลด้วยเจตนา จึงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จึงต้องเข้าใจในแง่นี้ให้ตรงด้วยการศึกษาพุทธศาสนาต้องไม่ยึดคำสอนแต่ในแง่ที่สนับสนุนความเห็นของตัวเองอะไรขัดแย้งกับความคิดความเชื่อก็มาปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่คำสอนจริงเป็นการแต่งเติมควรเปิดใจพิจารณาหลักคำสอนในแง่อื่นบ้าง ควรตั้งความสงสัยไว้ก่อนว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนั้นไม่น่าเชื่อจริงหรือเรายัางศึกษาปฏิบัติยังเข้าไม่ถึงจริงพยายามพิจารณาในแง่มุมที่ลึกซึ้งด้านอื่นประกอบด้วยเพราะธรรมะจะรู้จริงได้จากการปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่การท่องจำซึ่งโดยมากแม้แค่การท่องจำก็ยังอ่านเนื้อหาไม่ครบถ้วนบางคนศึกษาได้แค่บางส่วนของคมภีที่มีอยู่เท่านั้น ก็รีบด่วนตัดสินว่าสิ่งนี้จริงสิ่งนั้นไม่จริงหลักธรรมชาติมีอยู่ว่าคนเราจะคิดได้ตามนิสัยสันดานหรือตามวิบากของตนเท่านั้นดังนั้นถ้ายังไม่บรรลุปเป็นพระอริยะก็ไม่ควรด่วนตัดสินหรือมั่นใจเกินไปว่าสิ่งที่ตนรู้เข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว คนปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานมีสองประเภทพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อตอนเองพ้นทุกอย่างเดียวอีกพวกคือปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกพร้อมไปกับการสะสมบารมีเป็นลักษณะแห่งพระโพธิสัตว์ที่หากจําเป็นก็ยอมให้ตัวเองรับผลแห่งกรรมเพียงเพื่อช่วยให้คนอื่นได้พ้นทุก์หรือเพื่อปราบอธรรมให้สิ้นไปจึงไม่ต้องห่วงว่าพระอริยะหรือผู้ใฝ่ในธรรม จะทำอาชีพทางโลกหรือยุ่งกับทางโลกไม่ได้ในแง่นี้พูดถึงพระอาริยะที่เป็นคารวาสหากเป็นพระภิกษุก็ต้องใส่ใจคันถาธุระและวิปัสนาธุระคือป ร, ริยัติและปฏิบัติที่เป็นกิจหลักของพระภิกษุสงฆ์ให้ดีพร้อมก่อนด้วยนะครับหลักสำคัญเพื่อการบรรลุ ธ, ธรรมคือถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์จริงตามหลักอาริยมรรค คือศีลสมาธิปัญญาจะไม่มีทางบรรลุได้เลยแต่ก็ปรากฏว่าบางคนบรรลุหลังฟังธรรมจากพระพุทธองค์ขณะกลิ่นเหล้ายังไม่หมดไปจากปากก็มีหรือองคุลีมานที่ทําบาปมามากและกําลังทําอยู่เมื่อได้ฟังธรรมก็เลิกทําบาปทันทีและต่อมาก็ได้บรรลุมากผลและมีอีกหลายกรณีที่ทาให้เห็นว่าคนที่กาลังทาบาปก็อยู่ในฐานะที่จะบรรลุธรรมได้ ถ้าจิตใจถึงขั้นกลับกันถ้าไม่ใช่แม้จะพยายามเท่าไรก็ไม่มีทางบรรลุได้เลยการบรรลุธรรมไม่มีทางลัดแต่ต้องสะสมบา ร, รมีกันยาวนานหลายชาติความจริงอีกแง่ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นคือการทำชั่วทาผิดของบางคนนั้นเป็นการนำไปสู่การบรรลุธรรมได้เช่นกันเพราะคนที่จะรู้ซึ้งว่าความชั่วไม่ดี จนเบื่อนายตั้งใจจะเลิกได้จริงนั้นก็ต้องมีประสบการณ์มาก่อนหรือเห็นตัวอย่างมาจำแจ้งแล้วส่วนมากคนที่ยังทำชั่วทั้งที่รู้แต่เลิกไม่ได้เพราะจิตส่วนลึกยังไม่ซึ้งในโทษยังเพียงพอจึงยังมีความกดดันให้อยากทำชั่วแฝงอยู่ในใจคนที่มีคุณธรรมหรือดีมากแต่บรรลุธรรมไม่ได้ และยังมีความกดดันบางอย่างอยู่ในใจยังมีความอยากความสงสัยในบางเรื่องถ้าได้สนองความต้องการจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วการบรรลุมากผลจะเป็นเรื่องง่ายของเขาตัวอย่างคนไม่เคยรวยอยากได้สุขหรืออำนาจทั้งโลกแต่เกิดมาไม่มีโอกาสได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เลยย่อมเกิดเป็นแรงดันให้อยากมีอยากเป็นอยู่ในใจลึ ก, ลกแต่ที่ทาเหมือนตัดใจได้หรือไม่สนใจ เพราะไม่เห็นหนทางว่าจะได้มาได้อย่างไรหรือเพราะแก่เกินวัยแล้วสมองไม่กระตุ้นให้เกิดความต้องการแต่จิตลึกๆยังโหยหาอยู่อย่างรุนแรงโดยมากเป็นเพียงการฝืนใจยอมรับหรือตัดโดยทางอ้อมได้ชั่วคราวแต่สำหรับคนที่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มาจริงตนที่สุดจะเห็นว่าไม่ใช่สุขที่แท้จริงจนปล่อยวางจากจิตระดับลึกได้ง่ายกว่ามาก ตัวอย่างเสียฐีจจำนวนมากที่สละทรัพย์ออกบวชและมุ่งมั่นเคร่งครัดในธรรมวินัยด้วยใจเป็นสุขกับคนยากจนที่บวชแต่เด็กไม่เคยได้เสพสุขทางโลกเมื่อมีโอกาสจึงสนองกิเลส ต, ตัวเองในบ้้นปลายชีวิตจนป ร, ราชิกไปเป็นจำนวนมากซึ่งต้องเข้าใจว่าในแต่ละชาติเราอาจเคยมีเคยเป็นและสนองความต้องการหลายด้านมาต่างกัน ในหนังสือของต่างชาติที่แม้ไม่ใช่พุทธแต่ยังระบุถึงการกลับมาเกิดใหม่ว่าเพราะความต้องการในจิตยังไม่ถูกตอบสนองจึงต้องมาเกิดเพื่อได้ลิ้มลองในสิ่งที่ใจเคยปรารถนาไว้แต่ไม่เคยได้นั่นเองข้อน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังตายคือมีนักเขียนที่เป็นนักบวชศาสนาอื่นหลายท่านที่สามารถติดต่อกับโอปปาติกาได้เขียนเป็นหนังสืออธิบายชีวิตหลังตายไว้ มีหลักสำคัญตรงกับคำสอนในพุทธอย่างน่าอัศจรรย์โดยสิ่งที่ท่านอธิบายส่วนใหญ่ขัดแย้งกับคำสอนในศาสนาของท่านแทบทั้งสิน้นฟังได้จากหนังสือแปลในชุดโลกทิพย์ของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่ชมรมผลดีจัดทำไปแล้วนะครับพระอริยบุคคลมีคุณสมบัติเช่นไรดูได้จากบทสวดสังฆคุณซึ่งเป็นพุทธพจน์โดยตรงแต่โดยมาก มักไม่พิจารณาเนื้อหาโดยละเอียดซึ่งเรื่องนี้อธิบายไว้แล้วในหนังสือเรื่องพระรัตนตรัยการพัฒนาสังคมในทุกด้านถ้ายึดหลักสังฆ ค, คุณเป็นแนวทางบ้านเมืองจะเจริญถึงขั้นเรียกได้ว่าอยู่ในยุคของพระสีอานทีเดียวแต่ปัจจุบันเราเน้นแก้ที่ภายนอกแต่ไม่เน้นพัฒนาจิตใจให้จริงจังและไม่เข้าใจว่าแม้เราจะยังทาศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ไม่ได้ ก็นำธรรมะมาใช้ให้เหมาะสมมากที่สุดในขณะนั้นได้ดังจะเห็นได้ว่าศา ส, สนาพุทธไม่มีการบังคับให้เชื่อหรือบังคับให้ทำตามแต่เป็นคำแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งจะเห็นได้กับการสอนพระกับสอนคารวาสหรือการสอนผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพร้อมบรรลกุกับผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนแตกต่างกันทุกคนต้องเคยทาผิดมาก่อนเหมือนหัดเขียนหนังสือ ที่ต้องผิดมากกว่าถูกต่อมาจึงถูกมากขึ้นจนไม่ผิดอีกเลยการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันผู้บรรลุธรรมล้วนเคยทำผิดมาในอดีตชาติทั้งนั้นผู้ที่มีจิตใจเจริญถึงขั้นจึงจะบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันได้ต้องสะสมบา ร, รมีทั้งสิบไปทีละน้อยจนกว่าจะสมบูรณ์คือทานศีลเนคขามมปัญญาวิริยะขันติสัจจะ อธิษฐานเมตตาอุเบกขาแต่ละคนต้องใช้เวลากันหลายชาติแต่ละชาติก็อาจใช้เวลาเพื่อสะสมบา ร, รมีในแต่ละข้อแตกต่างกันกว่าจะครบพร้อมบรรลุ ก, กันจริงบา ร, รมีสิบข้อที่สําคัญที่ต้องฝึกอยู่เสมออย่างมากคือทานบา ร, รมีการเสียสละด้วยความเมตตาเห็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือเห็นแก่ความเป็นธรรมและต้องเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง พระอาริยทุกองค์ล้วนสร้างทานบา ร, รมีมาอย่างยวดยิ่งทั้งนั้นเพราะจิตที่สละไม่ได้ย่อมพัฒนาเป็นศีลหรือเจริญวิปัสนาได้ยากแต่การทําเพื่อผู้อื่นนั้นในช่วงแรกแห่งการสะสมบา ร, รมีมักจะมีการทําผิดปะปนไปด้วยเสมอต่อเมื่อจิตใจสูงขึ้นการทําบาปก็จะลดน้อยลงตามลําดับจนไม่แตะต้องอีกเลยซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นนี้ต้องใช้เวลานับร้อยนับพันชาติไม่ใช่แค่ชาติเดียว คนที่เคร่งในธรรมที่ยังไม่บรรลุปเป็นอริยะแต่เมื่อมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมืองเมื่อถึงกล่าวจำเป็นก็จะยอมผิดศีลเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นการทำไปอย่างมีเหตุผลด้วยใจเสียสละอย่างแท้จริงดังคำที่ว่ายอมตกงนรกเพื่อให้ผู้อื่นขึ้นสวรรค์ไม่ได้ทำไปเพื่อความสุขของตัวเอง การสอนศาสนาที่จะได้ผลต้องนำธรรมะไปใช้ให้ถูกบริบทสอนในระดับที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันอย่าจ่ายยาไม่เหมาะกับโรคหรือจ่ายเกินขนาดหรือหวังให้ยาขนาดเดียวรักษาได้ทุกโรคต้องสอนศาสนาด้วยเหตุผลให้เข้าใจในหลักความจริงด้วยการพิสูจน์ไม่ใช่สอนให้เชื่ออย่างงมงายตามนิยายหรือประเพณีการสอนผิดวิธี จะทำให้นำหลักศาสนาไปพัฒนาสังคมไม่ได้ผู้มีการศึกษาจะมองไม่เห็นคุณค่าและดูหมิ่นในคำสอนคนในโลกมีหลายระดับศา ส, สนาก็มีหลายขั้นจะให้คนนับถือปฏิบัติอย่างเดียวกันเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้การก้าวหน้าทางจิตต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าเข้าใจและปฏิบัติหรือสั่งสอนกันได้เหมาะสม หลักศาสนาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตนเองและบ้านเมืองเราจะรู้หลักในการนำคำสอนมาใช้อย่างเหมาะสมกับในแต่ละอาชีพได้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาตนให้บรรลุปเป้าหมายแห่งพุทธธรรมสู่ความเป็นอริยะบุคคลในวันหนึ่งต่อไปสรุปเนื้อหาโดยอริยะคุณจากหนังสือเรื่องพระอริยบุคคลเขียนโดย อาจารย์พรรัตนสุวรรณเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนขอเชิญทุกท่านฟังเนื้อหาโดยละเอียดจากหนังสือโดยตรงอีกครั้งนะครับพระอาริยบุคลโดยพรรัตนสุวรรณคำนำพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ชาวพุทธทั้งหลายจะปฏิญาณว่านี่คือที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้านี่คือที่พึ่งอันกเกษมของข้าพเจ้าแต่จะมีสักกี่คนที่ยอมรับด้วยความจริงใจตามคําปฏิญาณอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามีน้อยมากและเชื่ออีกว่ามีน้อยแม้กระทั่งในกลุ่มบุคคลผู้ที่ได้บวชเรียนมีความรู้ทางพุทธศาสนาเป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะโดยธรรมดาผู้ที่จะได้ชื่อว่า เข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆนั้นอย่างน้อยตนเองจะต้องเป็นพระโสดาบันทั้งนี้ก็เนื่องจากคุณของพระพุทธเจ้าก็ดีคุณของพระธรรมก็ดีคุณของพระสงค์ก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมผู้ที่มีจิตใจเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจกันได้และด้วยเหตุนี้ล่ละคนที่จะทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยจริงๆ จ, งจึงหาได้ยาก แต่ยังไรก็ดีถึงแม้ปุทุชนธรรมดาจะเข้าไม่ถึงคุณค่าของพระรัตนตรัยจริงๆก็ตามแต่ก็มีทางที่คนธรรมดาสามารถจะเข้าใจคุณความดีของพระรัตนตรัยได้ถ้าหากได้มีการศึกษากันอย่างถูกต้องเรื่องของพระอาริยบุคคลที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมานี้ก็คือทางหนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะสามารถทาให้คนทั่วไปเข้าใจชีวิตของพระอาริยบุคคลได้ดีพอสมควร ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางเป็นปุตุชนแต่การที่ข้าพเจ้ากล้าเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะมีใจรักการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้มากได้ศึกษาทั้งในทางตำราและการปฏิบัติมานานพอที่จะยืนยันได้ว่าชีวิตของพระอริยะบุคคลโดยเฉพาะพระโสดาบันนั้นเป็นเหมือนอย่างที่เขียนไว้นี้จริงๆและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าได้มองเห็นมานานแล้วว่าถ้านักศึกษาทั้งหลาย ได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของพระอริยบุคคลจนเข้าใจแ จ, จ่มแจ้งจริงๆแล้วท่านเหล่านี้ก็จะได้แนวทางในการพัฒนาสังคมทุกด้านพร้อมกับตัวเองก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นด้วยข้าพเจ้ามองมีเห็นว่าจะมีแนวทางของการดำเนินชีวิตหรือแนวทางของการดำเนินงานอะไรที่ประเสริฐยิ่งไปกว่าการเจริญตามรอยพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยเหตุนี้ ึงได้พยายามเขียนเรื่องนี้ออกมาเท่าที่สติปัญญาของข้าพเจ้าจะพึงอำนวยให้ซึ่งก็คิดว่าเท่าที่เขียนออกมานี้เป็นเพียงส่วนน้อยมากในชีวิตจริงๆของพระอาริยเจ้าทั้งหลายเนื่องจากยังมีอีกหลายแง่หลายมุมในชีวิตของพระอาริยะที่ข้าพเจ้ายังเข้าไปไม่ถึงในขณะนี้จึงฉลองศรัทธาท่านผู้อ่านได้เพียงเท่านี้ก่อนอันหนึ่งก่อนที่จะได้เขียนเรื่องนี้ ข้าพเจ้าก็ได้เขียนเรื่องพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นการอธิบายความหมายของพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณโดยละเอียดตามบทสวดมนต์แล้วเรื่องความว่างซึ่งเป็นการอธิบายเรื่องนิพพานในความหมายอย่างง่ายง่ายที่คนทั่วไปสามารถจะเข้าใจได้โดยไม่ยากหนังสือทั้งสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันผู้ที่ได้อ่านเรื่องนี้ก็ควรจะอ่านหนังสือสองเรื่องนั้นด้วย หลวงชื่อพอรรัตนสุวรรณ19กันยายนพุทธศักราชส5 1 8พระโสดาบันข้าพเจ้าได้เขียนบทความเรื่องความว่างมาทั้งหมด12สองตอน ซึ่งคิดว่าเป็นการเพียงพอสำหรับคนทั่วไปที่ตั้งใจจะศึกษาเรื่องนิพพานให้เข้าใจง่ายๆแต่ถึงแม้จะได้อธิบายเรื่องนี้มาแล้วค่อนข้างละเอียดแต่ก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างกว้างขวางคือเรื่องพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาการศึกษาเรื่องนิพพานโดยไม่ได้ศึกษาเรื่องพระอริยบุคคลให้เข้าใจโดยละเอียดนั้น จะทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนิพพานไม่สมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือเพราะเหตุที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องพระอริยบุคคลอย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงไม่เกิดความคิดที่จะวางรากฐานการศึกษาการเศรษ ฐ, ฐกิจการปกครองและอื่นอื่นอีกหลายอย่างให้สอดคล้องกับหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าหากทำได้เป็นผลสาเร็จแล้วสังคมจะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่อย่างคนมีปัญญาและมีการอยู่ดีกินดีมีสันติสุขโดยทั่วไปเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันหลายแง่หลายมุมและที่จะนำมาเขียนนี้ก็จะพยายามเขียนในแบบที่คนทั่วไปสามารถที่จะเข้าใจได้โดยไม่ยากและในที่สุดคนทั้งหลายก็จะเข้าใจซึ่งถึงความหมายที่ว่าพระสง์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดอย่างหนึ่งของโลก พระอริยบุคคลในพุทธศาสนามีอยู่สีประเภทคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่ำพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดการจัดลำดับพระอริยบุคคลนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงจัดไว้เองโดยถือเอาเรื่องสังโยชนิสิเป็นหลัก เพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้เรามาศึกษาถึงเรื่องสังโยชนิสิบกันเสก่อนสังโยชน์แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องผูกมัดซึ่งหมายความว่าการที่คนเราไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่สูงสุดก็เพราะมีกิเลส1ิบอย่างผูกมัดเอาไว้ ตราบใดที่ยังตัดกิเลสที่เรียกว่าสังโยชนี้ไม่ได้เด็ดขาดก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ตลอดไปและจิตใจก็จะไม่มีโอกาสเข้าถึงความว่างหรือความเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงสังโยชน์สิบอย่างก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสิลปตะปรามาตกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะ ทัจจะและอวิชชาพระโสดาบันละสังโยชน์ได้ขาดจากสันดานสามอย่างคือสักกายะทิฏฐิวิจิกิจชาสิลป ะ, ะตะปรามาตย์หรือพูดอีกในย่าหนึ่งถ้าหากคนใดสามารถตัดสังโยชน์สามอย่างนี้ได้คนนั้นก็เป็นพระโสดาบานันและคําว่าตัดได้ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงตัดได้ชั่วคราวแต่หมายถึงตัดได้เด็ดขาดตลอดกาล ในสันดานคือในจิตใจส่วนลึกไม่มีกิเลสเหล่านี้เหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งถ้าเปรียบเหมือนน้ำในขวดที่มีตะกรนอนก้นขวดการตัดกิเลสในสันดานได้อย่างเด็ดขาดนั้นก็เปรียบเหมือนในก้นขวดไม่มีตะกรอนเหลืออยู่เลยจะเขย่าวขวดอย่างไรก็ไม่อาจจะทาให้น้ำขุ่นขึ้นมาได้พระโสดาบันตามศั์แปล ว, ว่าผู้แรกถึงกระแส คำนี้มาจากคําว่าโสตะและอาปันนะต่อกันโสตแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าแรกถึงเพราะฉะนั้นคําว่าพระโสดาบันจึงแปลว่าผู้แรกถึงกระแสซึ่งกระแสในที่นี้หมายถึงกระแสนิพพาน กระแนิพพานก็คือความสงบอันประณีตหรือความว่างความเป็นอิสระโดยปกติคำว่าโสตะในภาษาธรรมดาก็แปลว่ากระแสน้ำพระพุทธเจ้ามักจะทรงเรียกตัญหาว่าเป็นกระแสอย่างหนึ่งโดยทรงใช้คำว่าตัญหาโสตแปลว่ากระแสตัญหาและอีกอย่างหนึ่ง โสตะหมายถึงกระแสนิพพานซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ผู้ที่ตกอยู่ในกระแสของตัญหาก็เปรียบเหมือนคนที่ตกอยู่ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวขอให้นึกถึงสวะที่ลอยไปตามกระแสน้ำคนที่ตกอยู่ในอำนาจของตัญหาก็จะมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับสวะซึ่งจะลอยไปทางไหนก็สุดแล้วแต่กระแสน้ำจะพัดไป ส่วนคนที่บรรลุถึงกระแสนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนกระแสน้ําที่บริสุทธิ์และเป็นกระแสน้ําที่ไหลขึ้นไม่ใช่ไหลลงไหลขึ้นในที่นี้หมายความว่ากระแสนิพพานจะทําให้จิตใจของคนที่บรรลุถึงสูงขึ้นโดยลําดับไม่มีการถอยหลังพระโสดาบันคือผู้ที่แรกถึงกระแสนิพพาน และทันทีที่จิตได้สัมผัสกับกระแสนิพพานใจของผู้ที่เข้าถึงก็จะรู้สึกสงบแจ่มใสเบิกบานมากและความสงบแจ่มใสที่ว่านี้จะไม่มีวันเสื่อมด้วยเพราะเหตุนี้พื้นจิตใจข้างในของพระโสดาบันจึงได้สงบและเยือกเย็นอยู่เสมอแจ่มใสอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อจิตเข้าถึงภาวะอันนี้แล้ว ก็จะเกิดความรู้จากภายในซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสจะสามารถเข้าใจถึงเรื่องชีวิตต่างๆโดยไม่ยากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปรเาเสขะจะกรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ปรเาเสขะจะกรู้แจ้งซึ่งโยงมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกปรเาเสขะจะกรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมอันตถาคตแสดงไว้ดีแล้ว เหมือนนายมาลาการรู้จักเลือกสรค์ดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่นับถึงพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เรียกว่าอาเซขะซึ่งแปลว่าจบการศึกษาแล้วไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปแล้วส่วนพระเสขะนั้นแปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ ขอให้สังเกตว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแม้จะมีอายุเพียงเจ็ดขวบเช่นอย่างพระนางวิสาขาก็สามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตทั้งหมดเพราะความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เกิดมาจากภายในเป็นความรู้ที่เกิดมาจากจิตใจที่เป็นอิสระใจที่ว่างจากสิ่งผูกมัดใจที่ว่างจากอารมณ์ทุกอย่างความรู้แจ้งที่ออกมาจากภายในนี้เป็นความรู้ที่ประเสริฐสูงสุด และจะเกิดขึ้นโดยไม่ยากถ้าหากใจตกถึงกระแสนิพพานได้กล่าวมาแล้วว่าพระโสดาบันละสังโยดได้สามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปัตตปรามาธคำว่าสักกายทิฏฐิแปล ว, ว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตน ผู้ทีล่ลาสกยาทิฐิได้ก็คือผู้ที่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องตัวเองความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนมีอะไรบ้างที่พระโสดาบันละได้ขาดหรือพูดอีกนา่าหนึ่งพระโสดาบันรู้แจ้งอะไรบ้างจึงได้ชื่อว่าเข้าใจเรื่องตัวเองจริงๆเข้าใจอย่างจาแจ้งแทงตลอดไม่มีความหลงผิดหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองอีกต่อไป เพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านเข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นจะขอพูดถึงตัวอย่างของการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนเสีก่อนคนทั้งโลกรู้แต่เพียงว่าคนเราเกิดจากพ่อแม่เกิดจากธรรมชาติและในเมื่อศึกษาในทางชีววิทยาศึกษาในทางเคมีและฟิสิกส์ก็จะเข้าใจเหตุผลแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นในข้อที่ว่าคนเราเกิดมาจากพ่อแม่ และเกิดมาจากธรรมชาตินั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและสามารถจะพิสูจน์และทดสอบได้ลงตัวจนกระทั่งในที่สุดก็ยืนยันว่าคนเราจะเกิดมาโดยไม่อาศัยพ่อแม่นั้นไม่ได้และจะไม่อาศัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็เกิดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แม้จะรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแจ่มแจ้งสักเพียงไรเขาก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ตอบไม่ได้ เช่นถ้าหากว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องอาศัยพ่อแม่เสมอไปถ้าเช่นนี้แล้วมนุษย์คนแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะตอนนั้นพ่อแม่ไม่มีและที่ว่าเกิดมาจากธรรมชาติก็จับตัวธรรมชาติมาให้ดูจริงๆไม่ได้เราคาดคะเนหรือสันนิฐานเอาเองจากหลักการที่ว่าวัตถุต่างๆมีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว แล้วร่างกายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากวัตถุต่างๆเพราะฉะนั้นร่างกายจึงได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุซึ่งเราเรียกว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเราค้นพบว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีก็ตามทุกอย่างล้วนแต่จะต้องเกิดขึ้นมาจากเหตุของมันซึ่งเหตุต่างๆเหล่านั้นเราก็สามารถที่จะอธิบายได้อย่างกว้างขวาง แต่ครั้นจะถามว่าเพราะเหตุไรส่วนต่างๆของสิ่งที่มีชีวิตจึงได้มีความหมายส่วนสิ่งที่ไร้ชีวิตส่วนต่างๆของมันหรือพฤติกรรมของมันไม่มีความหมายหมายเหตุคำว่าส่วนต่างๆหรืออวัยวะต่างๆมีความหมายนั้นในที่นี้หมายถึงบอกได้ว่าสิ่งนั้นเกิดมาเพื่ออะไรทาไปเพื่อจุดประสงค์อะไร ตัวอย่างเช่นรากของต้นไม้มีไว้เพื่อดูดน้ำและแร่ธาตาุต่างๆมีใบเพื่อสังเคราะห์แสงซึ่งการมีความหมายในที่นี้ก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาหรือสังขารเป็นวงจรหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทที่ทำให้เกิดชีวิตเกิดวิญญาณซึ่งเทียบกันกับวัตถุเจนโตแม้ส่วนประกอบต่างนั้นจะบอกได้ว่ามีไว้เพื่ออะไรแต่ตัวของมันเองนั้น ในแต่ละส่วนก็ไร้ซึ่งเจตนาในการทำให้เกิดประโยชน์ตามคุณสมบัติของแต่ละชิ้นส่วนของมันส่วนประกอบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่มีความหมายนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาประกอบไปด้วยความต้องการเช่นพฤติกรรมของรากที่ดูดอาหารนั้นก็เพราะต้นไม้ต้องการมีชีวิตการมีใบก็เพื่อสังเคราะห์แสงก็เป็นความต้องการเพื่อมีชีวิตพฤติกรรมที่ต้นไม้ พยายามหันเข้าหาแสงก็มีความหมายที่อธิบายได้ว่าก็เพราะมีความต้องการเพื่อมีชีวิตหรือเพื่ออยู่รอดต่อไปแต่ในวัตถุทั่วไปนั้นพฤติกรรมที่เกิดนั้นขาดเจตนาขาดความต้องการหรือตัณหาซึ่งคำว่ามีความหมายนั้นคําหลักๆ ก, ก็คือเกิดจากความต้องการคือการอยากมีชีวิตการรักษาชีวิต การอยากให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่เป็นสุขกับชีวิตหรือต่อสภาวะของตนฟังคำอธิบายโดยละเอียดได้จากหนังสือเรื่องวิญญาณคืออะไรนะครับแต่ครั้นจะถามว่าเพราะเหตุไรส่วนต่างๆของสิ่งที่มีชีวิตจึงได้มีความหมายส่วนสิ่งที่ไร้ชีวิตส่วนต่างๆของมันหรือพฤติกรรมของมันไม่มีความหมาย ปัญหาข้อนี้เรามักจะตอบกันดือด้อว่าธรรมชาติได้สร้างร่างกายขึ้นมาเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตัวธรรมชาติที่ว่านี้นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่รู้แจ้งว่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งที่ไร้ชีวิตก็เกิดมาจากธรรมชาติแต่ไม่มีความหมายส่วนสิ่งที่มีชีวิตก็เกิดมาจากธรรมชาติแต่มีความหมายทั้งที่ผลของมันออกมาต่างกัน นักวิทยาศาสตร์ก็ยังสรุปว่าสิ่งที่มีชีวิตก็เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเช่นเดียวกับสิ่งที่รายชีวิตจากข้อสังเกตดังที่กล่าวมานี้เราจะเห็นได้ว่าคำตอบมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวและนี่ก็คือความหลงผิดอย่างหนึ่งของคนทั้งโลกส่วนพระโสดาบันรู้แจ้งว่าชีวิตของคนเราก็เกิดมาจากวิญญาณของเราเอง ถ้าจะพูดว่าเกิดมาจากธรรมชาติธรรมชาติที่ว่านี้ก็คือวิญญาณในตัวเราเองและวิญญาณที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งลึกลับเพราะวิญญาณได้แสดงตัวของมันให้เรารู้อยู่ตลอดเวลานอกเสียจากว่าเราจะเข้าใจผิดเราจึงไม่รู้ว่าอันไหนเป็นปรากฏการของวิญญาณอันไหนไม่ใช่พระโสดาบันรู้ดีว่าตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นหูได้ยิน ก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดการที่อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้ทำงานได้ก็เพราะกระแสของวิญญาณซึ่งแผ่ซ่านอยู่ทั่วร่างกายเป็นผู้ควบคุมหรือบังคับให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวหรือมีการทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เส้นประสาทคือทางเดินของกระแสวิญญาณสมองก็คือสานักงานใหญ่ของวิญญาณ พระโสดาบันท่านรู้แจ้งเป็นอย่างดีว่าร่างกายกับวิญญาณไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันร่างกายเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนวิญญาณไม่ได้ตายพร้อมกับร่างกายวิญญาณที่ยังมีกิเลสจะต้องสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่แทนร่างกายเก่าเสมอเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นตัวการโดยตรงที่ก่อให้เกิดชีวิตรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนมามากแล้วเท่าที่พูดมานี้เป็นเพียงทบทวนความจำเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าที่ว่าพระโสดาบันลกความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองได้เข้าใจเรื่องตัวเองถูกต้องนั้นมีความหมายอย่างไรและเพื่อให้ท่านแน่ใจว่าถ้อยคมที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้เป็นพุทธพจน์ไม่ใช่พูดเอาเองข้าพเจ้าจึงขออ้างหลักฐานมาให้ท่านทราบดังนี้ ในคำพีสังยุตตานิายมหาวัชพระไตปิฎกเล่มที่19เ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระโสดาบันย่อมมีคุณสมบัติ5อย่างกล่าวคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้า 2. เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระธรรม 3. เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระสงฆ์ ซึ่งพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงอริยสงฆ์ไม่ใช่หมายถึงสงฆ์ที่เป็นปุถุชนและสงฆ์ในคำนี้ไม่ได้หมายเฉพาะพระเท่านั้นแต่หมายถึงคราวาส ด, ด้วยคือใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าหากเป็นพระอริยบุคคลแล้วได้ชื่อว่าสงฆ์ทั้งสิน้น 4. เป็นผู้มีศีลบริสุทธ หาเป็นผู้รู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทคำว่ารู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทขอให้นึกถึงคำว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปผู้ที่เข้าใจหัวข้อเหล่านี้ดีก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าอุทุชนกับพระอริยบุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตแตกต่างกันอย่างมากมายเพียงไร และที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าพระโสดาบันเป็นผู้ที่รู้แจ้งว่าตัวเราคือร่างกายเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณหรือเกิดมาจากวิบากนั้นก็เพราะมีหลักอ้างยิงเช่นนี้พระโสดาบันท่านยอมรับว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยพ่อแม่และจะต้องอาศัยธรรมชาติอันนี้เป็นความจริงแต่ถึงกระนั้นสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่จะก่อให้เกิดชีวิตตัวการที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดชีวิตนั้นคือวิญญาณของเราเองดังที่ได้กล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งพระโสดาบันยอมรู้แจ้งว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นหมายถึงจิตใจส่วนลึกหรือหมายถึงวิบากไม่ใช่หมายถึงร่างกายเนึ่งเมื่อท่านมองเห็นแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าไม่มีจริงทุกอย่างเป็นอนัตตาท่านจึงปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องร่างกายได้เมื่อปล่อยวางร่างกายได้อย่างอื่นก็ปล่อยวางได้เพราะท่านปล่อยวางได้นี่เองเมื่อร่างกายแก่เจ็บหรือตายท่านจึงรู้สึกว่าเราไม่ได้แก่เราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ตายเพราะแม้ร่างกายจะตาย แต่เราก็ยังอยู่และอีกนัยะหนึ่งท่านรู้ดีว่าในความหมายที่แท้จริงนั้นชีวิตเกิดจากความต้องการของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรายัางต้องการมีชีวิตมีตัวตนชีวิตก็จะมีอยู่ตลอดไปและชีวิตที่ว่านี้จะดีขึ้นโดยลำดับถ้าหากเราพยายามกระทมแต่ความดีอยู่เสมอ ขอให้นึกถึงคำที่ว่าดูก่อโมขราชเธอจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณะจิตเมื่อถอนความก้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้แล้วก็จะอยู่เหนือความตายข้ามพ้นจากความตายได้พุทธพจน์บทนี้อุทุชนเข้าไม่ถึงแต่พระโสดาบันเข้าถึงคือท่านรู้สึกอยู่เสมอว่า ตัวท่านไม่ตายตัวท่านอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายส่วนปุถุชนทั้งหลายยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าตัวเราเกิดขึ้นมาจากวิญญาณของเราเองและมักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าตัวเราเกิดมาจากพ่อแม่เกิดมาจากธรรมชาติเมื่อร่างกายนี้ตายแล้วก็มักเข้าใจว่าชีวิตก็เป็นอนัน์สูญสิ้น ปุทุชนมองไม่เห็นว่าชีวิตหลังจากตายจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรรันแล้วก็มีความกลัวตายและมีความเข้าใจผิดในเรื่องตัวตนดังที่กล่าวมาอันหนึ่งขอเรียบรดทําความเข้าใจให้ดีว่าผู้ที่จะปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้จริงๆนั้นจิตใจส่วนลึกจะต้องมีความสงบอันประณีต ถ้ายัางเข้าไม่ถึงความสงบขั้นนี้ก็หมายถึงว่ายังไม่อาจที่จะมีความรู้แจ้งจากภายในได้ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสเมื่อความรู้ในระดับนี้ไม่มีก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเชื่อความรู้ที่ได้มาจากทางประสาทสัมผัสซึ่งความรู้ประเภทนี้เป็นของจากัดมากเช่นตาเห็นได้เฉพาะของบางอย่าง อะไรอีกหลายอย่างซึ่งก็มีอยู่จริงๆแต่แล้วตาก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อว่าชีวิตหลังจากตายเป็นสิ่งที่มีได้เมื่อไม่เชื่อก็หมายถึงว่าไม่รู้แจ้งว่าชีวิตเกิดมาจากวิญญาณและเมื่อไม่รู้แจ้งเรื่องนี้ก็ต้องมายึดถือร่างกายว่าเป็นตัวเราจริงๆปุถุชนทั้งหลายไม่รู้ว่าในขณะที่คนเราตายนั้น มันก็เหมือนกับงูลอกคราบและงูทั้งหลายมันไม่อารยต่อคราบที่มันลอกออกไปแล้วและมันก็ไม่กลัวต่อการลอกคราบด้วยเมื่อถึงเวลามันก็ทำการลอกคราบแต่คนเราซึ่งฉลาดยิ่งกว่างูหลายเท่าเมื่อรู้ว่าจะตายก็กลัวมากทั้งนี้ก็เพราะไม่รู้ว่าการตายก็เหมือนกับงูลอกคราบคือถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปแล้ว มันก็มีร่างกายใหม่เกิดขึ้นมาทันทีซึ่งร่างกายที่เกิดใหม่นี้จะต้องดีกว่าร่างกายเก่าเสมอแต่าหากเราทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วอันหนึ่งคนโดยมากกลัวจนกลัวลำบากกลัวเจ็บป่วยและยังมีความกลัวอย่างอื่นอีกหลายอย่างทั้งนี้ก็เพราะไม่ทราบว่า สิ่งต่างๆย่อมเกิดมาจากใจทั้งนั้นทุกอย่างสำคัญอยู่ที่ใจส่วนพระโสดาบันท่านรู้แจ้งว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสาเร็จมาแต่วิญญาณเพราะเหตุที่ท่านรู้แจ้งเช่นนี้ท่านจึงไม่กลัวต่อภาพมายาหรือสิ่งที่ลวงตาเช่นความจนหรือความลาบากอย่างนี้เป็นต้น เพราะอะไรก็เพราะท่านรู้แจ้งว่าในเมื่อเรามีอริยทรัพย์เจ็ดประการอยู่ในใจของเราอย่างบริบูรณ์แล้วความจนหากจะมีก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นความจนหรือความลำบากทั้งหลายเป็นเพียงการทดสอบว่าเราได้เข้าถึงคุณธรรมจริงหรือไม่เพราะถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วเราจะไม่กลัวจนไม่กลัวลาบากไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะเหตุการณ์ที่ว่านี้ แม้หากจะเกิดขึ้นก็ชั่วคราวไม่ใช่ตลอดการและในเมื่อเราต้องประสบกับความยากจนความลำบากความทุกยากหรือความเจ็บป่วยใดๆก็ตามถ้าหากเราสามารถทำใจให้สบายได้อดทนได้ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เรารู้อยู่แก่ใจว่าอีกไม่ช้ามันก็จะผ่านไปถ้าทำใจได้อย่างนี้ เหตุการณ์ที่แลดูเสมือนหนึ่งเป็นโชคร้ายหรือเคราะห์ร้ายนั้นก็จะกลั ก, กลายเป็นโชคดีเคราะหดีเพราะเหตุการณ์ที่ว่านั้นมันจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นคุณธรรมเพิ่มพูนยิ่งขึ้นขอได้โปรดจำไว้ให้ดีว่าพระโสดาบันย่อมมีอริยสัพเพเจ็ดประการเป็นคุณสมบัติประจำตัวอยู่เสมอกล่าวคือศรัทธา ศีลอิริโอตตปปะสุตตาจาคะปัญญาเพราะเหตุที่ท่านมีทรั์ภายในซึ่งเป็นสิ่งที่มันคงยั่งยืนไฟไม่ไม่ได้ขโมยมาลักเอาไปไม่ได้แม้ตายแล้วก็ยังติดตามไปได้อีกละรั์ภายในนี่แหละคือที่มาของทรั์ภายนอกทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่กลัวจนไม่กลัวลำบาก ไม่กลัวต่ออะไรทั้งสิ้นส่วนปุถุชนไม่เข้าใจเรื่องชีวิตดังที่กล่าวมานี้เช่นถ้าหากจะพูดถึงปัญหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะมั่งมีทำอย่างไรเราจึงจะมีความเป็นอยู่สะดวกสบายปุถุชนโดยทั่วไปจะไม่นึกถึงเรื่องอริยสัพจเจ็ดประการนี้เลยเพราะเขามองไม่เห็นว่าคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรเขามองเห็นแต่ว่าเราจะร่ำรวยก็ต่อเมื่อเราต้องทำงานหาเงินโดยวิธีนั้นวิธีนี้ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้มันอยู่คนละระดับกับความเข้าใจของพระโสดาบันพล้ายกับว่าปุถุชนนั้นเป็นเสมือนเด็กทารกที่ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรเขารู้แต่เพียงว่าเมื่อต้องการมะม่วง หรือผลไม้อะไรก็ไปเที่ยวหาซื้อที่ตลาดเขารู้ว่าที่ตลาดมีผลไม้ที่เขาต้องการและเขาจะได้มาก็ด้วยการมีเงินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้ส่วนพระอริยบุคคลนั้นท่านรู้ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือท่านรู้ว่าผลไม้แต่ละชนิดย่อมเกิดมาจากต้นของมันและท่านก็พยายามปลูกต้นไม้ทุกชนิด ที่ท่านต้องการลงไว้ในส่วนของท่านและในเมื่อผลไม้ต่างๆที่ได้ปลูกเอาไว้นั้นจเจริญงอกงามดีแล้วท่านก็จะได้กินผลไม้นั้นตลอดไปและเมื่อเอาไปขายก็จะได้เงินอีกด้วยตัวอย่างที่กล่าวมานี้เป็นเพียงข้อเปรียบเทียบอันเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาระหว่างปุถุชนกับพระอริยบุคคลว่าห่างไกลกันเพียงไร แม้ในเรื่องการมีชื่อเสียงมีอำนาจหรือมีอิทธิพลท่านก็ทราบอย่างชัดเจนถึงที่มาอันแท้จริงของสิ่งเหล่านี้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถวยเทพละมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาซึ่งผลดใดๆผลนั้นๆยอมได้ด้วยบุญที่สะสมเอาไว้เช่นความเป็นผู้มีผิวงามมีเสียงไพเราะสวดรงงามรูปร่างงาม ความเป็นใหญ่การมีบริวารสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดยอมได้ด้วยบุญที่สะสมเอาไว้เท่าที่บรรยายมาโดยสังเขปนี้ท่านผู้อ่านพอจะมองเห็นแล้วว่าที่ว่าพระโสดาบันเป็นผู้ที่ละความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองได้หรือพูดอีกในยาหนึ่งคือเข้าใจเรื่องตัวเองอย่างถูกต้องนั้นมีความหมายลึกซึ้งเพียงไร และขอให้เข้าใจว่าเท่าที่พูดมานี้ยังไม่หมดยังมีรายละเอียดอีกมากมายแต่เห็นว่าเรื่องจะยาวเกินไปจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนพระอาริยบุคคลพระโสดาบันตอนที่สอง ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องพระอริยบุคคลโดยเฉพาะคือคุณลักษณะของพระโสดาบันมาแล้วตอนหนึ่งแต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความหมายละเอียดกว้างขวางลึกซึ้งมากและเราจําเป็นต้องศึกษากันให้ละเอียดถี่ถ้วนจริงๆจึงจะเกิดประโยชน์ถ้าศึกษากันแต่พอรู้ว่าพระอริยบุคคลคือใครจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งใจว่าจะพยายามเขียนเรื่องนี้ ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้และต้องการจะให้นักศึกษาทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปใช้เป็นหลักพัฒนาประเทศในทุกๆด้านด้วยซึ่งข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าถ้านักปกครองนักการศึกษานักเศรษฐกิจเข้าใจเรื่องพระอาริยบุคคลจริงๆแล้วหลักในการปกครองการศึกษาการเศรษฐกิจของชาติจะต้องดีกว่านี้มากมายและนั่นย่อมหมายถึงว่าประเทศชาติจะเจริญยิ่งขึ้น กัาพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าลักษณะที่สำคัญของพระโสดาบันมีสอย่างคือ 1. เป็นผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้ 2. เป็นผู้ที่ละวิจิกิจชาได้ 3. เป็นผู้ที่ละศิลพตปารามาสได้เรื่องสักกายทิฏฐิได้อธิบายมาแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ใครที่จะขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย ก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าคำว่าลัทธิกญาติทิในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าลักความยึดมั่นถือมันอ่นในเรื่องตัวตนได้ทั้งหมดความจริงสิ่งที่พระโสดาบันละได้จริงๆละได้อย่างเด็ดขาดนั้นคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนคือท่านเห็นแจ้งทั้งตลอดแล้วว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีมีแต่ตัวตนที่เป็นวิบาก ซึ่งตัวตวนอันนี้แม้จะยั่งยืนสืบต่ออยู่ได้เสมอไม่สิ้นสุดกลายกับเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้นั้นความจริงตัวตวนที่เป็นวิบากนี้ก็ดับได้สูญสิ้นได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะมันเป็นสังคตรธรรมคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองท่านเขา้าใจในเรื่องนี้แจ่มแจ้งมากจนหมดข้อสงสัยใดๆและก็รู้แจ้งด้วยว่า เพราะอาศัยการรู้แจ้งเช่นนี้แหะจึงได้พบกับความสงบอันประณีตซึ่งเป็นความสงบในขั้นโลกุตระและในเมื่อเข้าถึงความสงบอันนี้แล้วก็จะรู้แจ้งด้วยตัวของตัวเองว่ากิเลสทั้งหลายสูญสิ้นได้ความทุกข์ทั้งหลายก็สูญสิ้นได้เหตุการณ์ภายนอกทุกอย่างทำให้เกิดความทุกข์อีกไม่ได้ขอให้นึกถึงหลักพุทธพจน์ที่ว่าพระอริยบุคคลทั้งหลาย เมื่อเข้าถึงความสงบอันประนีตแล้วทุกองค์จะบอกกับตัวเองได้ทันทีว่าณที่นี้เองเป็นที่สางความเมาเป็นที่กําจัดความกระหายเป็นที่ถอนความอาลัยเป็นที่ตัดวัฏจัเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่หนายราคาเป็นที่ดับสนิทนี่แหละคือนิพพานบางคนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองก็เข้าใจเรื่องตัวตนถูกต้องว่าตัวเราไม่มี ซึ่งคล้ายกับว่าละสักยะทิฏฐิได้แต่ความเป็นจริงผู้ที่อ้างว่าตนเองเข้าใจถึงเรื่องอนัตตาอย่างจำแจ้งถ้าหากใจยังไม่ได้พบกับความสงบอันประณีตก็แปลว่ายังลาสักยะทิฏฐิไม่ได้และจะต้องจำไว้ให้ดีว่าความสงบอันประนีตนั้นเป็นความสงบที่อยู่ตัวคงที่ไม่มีเสื่อมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดๆความสงบอันนี้ ก็จะมีอยู่เสมอเพราะความสงบอันนี้เป็นขั้นโลกุตระและจะต้องจำไว้อีกว่าถ้าเข้าถึงความสงบอันประณีตนี้จริงๆแล้วก็จะมีความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาเองซึ่งเป็นความรู้ที่ออกมาจากภายในดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเสขะจากรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้พระเสขาจากรู้แจ้งซึ่งโยมโลก ซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระเสขาจาักรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมะที่ตถาคตสแสดงไว้ดีแล้วขอให้สังเกตว่าอุตุชนไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ชั้นไหนก็มักจะเข้าใจว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นจะต้องได้มาจากประสบการณ์ภายนอกโดยอาศัยตาดูหรือหูฟังอย่างนี้เป็นต้นแต่พระอริยบุคคลท่านรู้แจ้งว่า ความรู้ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัส ต, ต้องเป็นความรู้ที่ออกมาจากภายในและความรู้จากภายในเท่านั้นที่จะช่วยให้คนเราพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆความรู้ทางประสาทสัมผัสช่วยให้คนเรารู้ความจริงแท้แท้ไม่ได้เพราะประสิทธิภาพของประสาทมีขอบเขตจำกัดอันหนึ่งพระอริยบุคคล ซึ่งจิตใจของท่านได้เข้าถึงความสงบอันประนีดแล้วนั้นท่านจะมีความเห็นแจ้งอยู่เสมอว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความทุกข์เช่นความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความผิดหวังเหตุการณ์ที่ว่านี้ท่านมองเห็นว่าไม่ใช่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เพราะในเมื่อใจของท่านมีความสงบอยู่เสมอ พร้อมกับมีความรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรเหตุการณ์ที่ว่านั้นกระทบกระเทือนจิตใจท่านไม่ได้ส่วนปุถุชนคิดว่าสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงพยายามแก้กันแต่สิ่งภายนอกไม่คิดแก้ไขจิตใจของตนแต่พระอริยะท่านมองเห็นว่า การแก้ปัญหาของปุถุชนนั้นไม่ว่าจะมีวิธีการวิเศษสักเพียงไรอย่างดีก็แก้ได้ชั่วคราวจะแก้ปัญหาจริงๆนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราเองเมื่อเราแก้ไขจิตใจของเราได้เป็นผลสำเร็จเหตุการณ์ทุกอย่างก็กระทบกระเทือนไม่ได้และข้อที่ว่าท่านเอานะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้นั้น ในสายตาของปุถุชนก็จะเห็นว่าพระอาริยะบุคคลก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันนี่แปลว่าถึงแม้จะอยู่ใกล้พระอาริยะก็ไม่รู้จักพระอาริยะขอได้โปรดเข้าใจว่าตามความรู้สึกที่แท้จริงของพระอริยะนั้นท่านรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเมื่อเกิดมายอมมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของธรรมดาแต่นั้นไม่ใช่ตัวเราหรือของของเราเพราะท่านรู้สึกอยู่เสมอว่าแม้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายแต่ฉันก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายซึ่งความรู้สึกอันนี้อุทุชนเข้าไม่ถึงและอีกอย่างหนึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั้น พระอริยบุคคลทุกองค์ท่านมองเห็นว่ามันเป็นบทฝึกหัดซึ่งจำเป็นจะต้องมีแต่บัดนี้ท่านก็เอาชนะมันได้แล้วและตัวตนที่เป็นวิบากซึ่งท่านรู้ดีว่าเมื่ อ, อยังต้องการที่จะมีตัวตนตัวตนอันนี้จะมีอยู่ตลอดไปคล้ายกับว่าเป็นตัวตนที่ยั่งยืนนั้นท่านก็รู้ว่าแม้ตัวตนอันนี้ก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตา ทิ่เทียงแท้ย่างยืนและด้วยการรู้แจ้งอนัตตานีหละจึงทำให้พ้นทุกข์ทำให้บรรลุถึงนิพพานท่านเห็นแล้วหรือยังว่าคนที่ลาสักยญาทิฏฐิได้กับคนที่ยังมีสักยญาทิฏฐิมีความเข้าใจที่แตกต่างกันอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีเราจะต้องศึกษาลักษณะของพระอริยบุคคลให้เข้าใจต่อไปอีก อย่าลืมว่าพระโสดาบันนอกจากจะละสักกาทิฏฐิได้แล้วท่านยังละวิจิกิจฉาและศิลลพตาปรามาสได้อีกวิจิกิจฉาแปลว่าความสงสัยความไม่แน่ใจความลังเลในคำพีได้แบ่งไว้เป็น8ดอย่างคือหนึ่งสงสัยในพุทธคุณสอง สงสัยในธรรมคุณ 3. ส, สงสัยในสังฆคุณ 4. ส, สงสัยในคุณค่าของศีลสมาธิ ป, ปัญญา 5. สงสัยในอดีต 6. สงสัยในอนาคต 7. สงสัยในปัจจุบัน8สงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในพุทธคุณ หมายความว่าไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าจะมีคุณสมบัติจริงตามที่กล่าวไว้ในบทพุทธคุณเช่นที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่สงสัยในเรื่องพุทธคุณก็คือไม่เชื่อว่าคนเราจะละ ก, กิเลสได้จริงไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงได้ จากจิตของพระองค์เองไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะทรงมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้ทรงกระทำอิทิปาติหารอย่างนั้นอย่างนี้ได้ส่วนพระโสดาบันท่านไม่สงสัยเลยท่านแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติเหมือนอย่างที่กล่าวว่าในพุทธคุณจริงและในเรื่องธรรมคุณและสังคคุณท่านก็มีความเชื่อมีความแน่ใจตามนี้ทุกอย่าง รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณอ่านได้จากหนังสือเรื่องพระรัตนตรยัยซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้นานแล้วข้อที่จะพึงสังเกตก็คือถ้าหากเรามีความแน่ใจในเรื่องคุณของพระรัตนตรัยจริงๆแล้วหรือพูดอีกในาย่าหนึ่งได้เข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆแล้ว บ่สวดมนต์ทุกข้อในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณนั้นไม่ว่าเราจะนึกถึงบทไหนจะมีความทราบซึ้งทุกบทแม้จะนึกบ่อยๆซ้ำซากอย่างไรก็ไม่มีเบือ่อซึ่งผิดกับปุถุชนไม่อยากจะสวดมนต์มีความขี้เกียจเพราะมองไม่เห็นประโยชน์แต่ยิ่งจะต้องให้นึกถึงบ่อยๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนี่คือลักษณะ ข, ของคนที่ยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรยัย นหนเนื่องจากพระอาริยบุคคลทุกองมีความทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรยัยเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทาอะไรจะพูดอะไรหรือคิดอะไรท่านจะต้องนึกเอาพระรัตนตรัยเป็นหลักไว้เสมอซึ่งผิดกับปุถุชนเขาจะนึกถึงก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์มาเตือนให้ต้องนึกแต่โดยปกติธรรมดาแล้วเขาจะไม่ค่อยได้นึกถึงเลยเพราะเขามองไม่เห็นประโยชน์ว่า นึกขึ้นมาแล้วจะได้อะไรบ้างและก็ขอเดียโรดเข้าใจไว้ด้วยว่าพระอริยบุคคลในขณะที่ท่านนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นั้นท่านเห็นความจริงจากตัวของท่านเองเพราะพระอริยบุคคลทุกองค์ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าสำหรับตัวท่านเองนั้นท่านแน่ใจว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นปฏิบัติสมควร คุณสมบัติเหล่านี้เป็นของประจําตัวท่านและเป็นคุณสมบัติที่มั่นคงไม่มีเสื่อมเพราะฉะนั้นท่านจึงเข้าใจถึงลักษณะของพระอริยบุคคลอื่นๆได้ดีมันเหมือนกับว่าเราเก่งหรือเชี่ยวชาญในวิชาขแขนงไหนเราก็ย่อมจะรู้ว่าคนที่เก่งหรือเชี่ยวชาญเหมือนอย่างเรานั้นเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรเรารู้แจ้งจากตัวเราเองเพราะฉะนั้น พระอริยบุคคลทุกองค์จึงไม่สงสัยในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณอันหนึ่งจากการที่ท่านมีความเข้าใจทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรยัยและทราบซึ้งในคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคซึ่งเป็นทางเห็นความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีความลังเล ในอันที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติแต่ในทางดีเสมอไม่เหมือนกับอุทุชนซึ่งในเมื่อแน่ใจว่าวิธีนี้หรือทำอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ได้เงินได้อำนาจได้สิ่งที่ต้องการแล้วแม้ว่าจะเป็นการผิดศีลธรรมเขาก็มักจะทำคือเขาเลือกเอาทางที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการไม่เลือกเอาทางศีลธรรมแต่สำหรับพระอริยบุคคล ท่านเลือกแอวทางศิลธรรมทางที่ถูกต้องทางที่มีทําให้คนทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนเสมอและการตัดสินใจของท่านในเรื่องนี้ไม่มีการลังเลไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องคิดมากพอรู้ว่าอันนี้ผิดศิลธรรมท่านก็จะปฏิเสธทันทีอำนาจเงินหรืออำนาจของตำแหน่งหน้าที่ไม่อาจที่จะทําให้จิตใจของท่านเกิดความลังเลแม้แต่เล็กน้อยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ท่านจะตัดสินใจเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นพระอาริยบุคคลเราจะไปดูแต่ในแง่ว่าท่านปล่อยวางในเรื่องตัวตนได้หรือไม่เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ปราดเปรื่องในเรื่องหลักธรรมสามารถอธิบายธรรมะได้ลึกซึง้งเราก็บอกว่าท่านเป็นพระอาริยบุคคลเราจะมาตัดสินการเป็นพระอาริยบุคคลแต่เพียงในแง่นี้ไม่ได้ เราจะต้องพิจารณาดูในแง่อื่นๆอีกด้วยและในทํานองเดียวกันเราอาจจะเห็นพระบางองค์ปฏิบัติในเรื่องศีลไดบริสุทธิ์มากและเป็นผู้มากน้อยสันโดษไม่เอาอะไรเลยแล้วก็จะบอกว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลเพียงเท่านี้ไม่ได้เพราะบางองค์แม้จะเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์แต่ถ้าหากปัญญาไม่หลักแหลมลึกซึ้งไม่ค่อยจะรู้อะไร ก ท, ที่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้อย่างยิ่งแต่กลับไม่รู้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลจริงๆเพราะพระอริยจริงๆย่อมจะต้องมีความรู้แจ้งเกิดจากภายในขอให้พิจารณาข้อต่อไปที่ว่าพระโสดาบันไม่สงสัยในเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่สงสัยในเรื่องปฏิจจสมุปบาท จากหัวข้อเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงว่าพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่มีความแน่ใจว่าเราเคยเกิดมาแล้วเมื่อตายก็จะต้องเกิดอีกถ้าหากยังมีกิเลสและตัวเราในปัจจุบันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากอดีตและจะเป็นเหตุของอนาคตต่อไปอีกถ้าหากในปัจจุบันเรายังเอาชนะความทุกข์ไม่ได้ก็แปลว่าต่อไปก็ยังต้องทุกข์อีก ก็แต่ในบนัดนี้เราได้อาชนะความทุกข์ได้แล้วเป็นส่วนมากและทุกอันใดที่เราเอาชนะได้แล้วทุกอันนั้นก็จะไม่มีอีกต่อไปส่วนปุถุชนไม่ค่อยจะแน่ใจว่าตัวเองเคยเกิดมาตายแล้วจะต้องเกิดอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าการที่เราต้องเกิดมาเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนื่องมาจากสาเหตุอะไรบ้าง ขอได้โปรดเข้าใจว่าผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องชีววิทยาอย่างแบบตะวันตกนั้นแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชานี้สักเพียงไรก็ตามพระอริยบุคคลท่านก็บอกว่าคนเหล่านี้ยังไม่รู้จักตัวเองยังไม่เข้าใจในเรื่องตัวเองพระอริยซึ่งมีความแน่ใจในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณ มีความแน่ใจในคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาและก็ใจเรื่องตัวเองอย่างแจ่มแจ้งนั้นจะมีข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรหรือทำงานอะไรท่านจะมีแนวของการทำงานที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นมุ่งละกิเลสหรือมุ่งละความชั่วเสมอและการทำงานของท่านจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นอันขาดเพราะฉะนั้น สมมติว่าท่านเป็นคนมีเงินมีอำนาจมีความรู้ท่านก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยาชาติจริงๆตัวท่านเองจะอยู่อย่างคนขอทานก็ได้อยู่อย่างคนไม่มีเกียรติอะไรเลยก็ได้ท่านไม่เดือดร้อนการถ่อมตัวการไม่โอดอวดความสุภาพการให้เกียรติผู้อื่นการเคารพนับถือต่อบุคคลอื่นการไม่เหยียดหยามการไม่ดูถูก การรู้จักที่สูงที่ต่ำการทำตัวให้เข้ากันได้กับบุคคลอื่นในทางที่ถูกคนณลักษณะเหล่านี้จะเป็นของประจำตัวไม่ต้องหัดไม่ต้องอบรมแต่จะเกิดขึ้นเองในเมื่อจิตใจได้เข้าถึงความสงบอันประณีตรอละสักยาทิฏฐิได้และอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากพระโสดาบันเป็นผู้ที่ละศิลพระตาปรามาได้ เพราะฉะนั้นการทำอะไรอย่างงมงายโดยไม่เข้าใจเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่มีไม่ได้สำหรับพระอริยบุคคลแปลว่าพราะอริยบุคคลทุกองค์จะไม่ติดหรือหลงอยู่ในความงมงายจะไม่ทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลอิทธิพลของประเพณีหรือวัฒนธรรมใดๆก็ตามที่เชื่อสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนหรืออิทธิพลของคนหมู่มาก สิ่งเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลเหนือพระอริยบุคคลหมายความว่าอะไรก็ตามที่ท่านมองเห็นว่าไม่มีเหตุผลไม่มีสาระแม้คนอื่นจะประพฤติปฏิบัติตามกันอย่างมากมายแต่ท่านก็จะไม่ตามคนเหล่านั้นผู้ที่ละศิลปตะิาปรามารได้ย่อมหมายถึงการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ตกเป็นทาสหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆที่ไม่ถูกต้อง ทันที่จริงคำว่าศีลพรพปตาประมาท ต, ตามสับแปล ว, ว่าความยึดมั่นในศีลละวัดศีลคือศีลหมายถึงข้อบัญญัติหรือข้อห้ามทางศาสนาวัดหมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีหรือสิ่งที่ทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันและคำว่าศีลละวัดในที่นี้ ตามความหมายในคำพีหมายถึงศีลละละวัตของลทัทธิศาสนาอื่นตัวอย่างเช่นการบำเพ็ญทุกะราคริยาในแบบต่างๆเพื่อหวังความหลุดพ้นหรือความบริสุทธิ์พระอริยบุคคลที่ว่าละศีลปตะประาปรมาสได้หมายความว่าท่านจะรู้แน่นอนแล้วว่าทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นมีอยู่ทางเดียว คือมัคมีองแ์ดเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอเซวะมัคโคนัตกันโยทัสนสะวิสุทธิยาทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะคำว่าทางในที่นี้หมายถึงมัคมีองค์ดเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติใดๆที่ไม่อยู่ในหลักของมัคมีองแ์ด ถ้าผู้ใดไปยึดถือปฏิบัติเข้าก็แปลว่ามีศิลปพตาประมาทนี่คือความหมายที่แท้จริงตามที่กล่าวไว้ในคำภีการที่ข้าพเจ้าขยายความไปถึงเรื่องอื่นๆก็เพราะเหตุที่ว่าพระอริยบุคคลทุกองค์จะทำอะไรจะต้องเข้าใจเหตุผลชัดเจนด้วยตัวของท่านเองเช่นเหตุรจึงต้องถือศีลถ้าไม่ถือหรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีผลยังไรเรื่องเหล่านี้ท่านเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งไม่เหมือนกับปุถุชนซึ่งมักจะมีข้อแย้งอยู่เสมอว่าไม่จำเป็นจะต้องถือศีลก็ได้หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงความหมายของศีลเสีย ใ, ใหม่ตามความพอใจส่วนพระอริยบุคคลท่านเห็นแจ้งตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทุก ป, ประการและอีกประการหนึ่ง การปฏิบัติใดๆถ้าหากทำไปด้วยศรัทธาอย่างเดียวโดยไม่เข้าใจเหตุผลแล้วศรัทธานั้นแม้จะมีมากสักเพียงไรก็ทำให้ตัดกิเลสในสันดานขาดไม่ได้อย่างดีก็สงบเพียงชั่วระยะหนึ่งและยิ่งกว่านั้นท่านมองเห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้การปฏิบัติทุกอย่าง ท่านทำไปอย่างเข้าใจเหตุผลชัดเจนจริงๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอสัตโทอกตันยูจักสันทิเชโทจะโยนโรหาตวากาโสวันตาโศเสวะอุตตมะโปริโสคนใดไม่เชื่อในวงเล็บคนอื่นนอกจากตัวเองเป็นผู้รู้แจ้งนิพพานเป็นผู้ตัดที่ต่อคือวัตตะได้เป็นผู้ทำลายโอกาส ที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นผู้มีความต้องการสมบูรณ์แล้วไม่ต้องการสิ่งใดอีกต่อไปแล้วบุคคลนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่สูงสุดขอให้สังเกตว่าตามพุทธพจน์ที่อ้างมานี้พระพุทธเจ้าหมายถึงพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดคือพระอระหรันต จากหลักนี้ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวว่าพระอรยิยบุคคลทุกองค์เป็นผู้ที่ถ้าจะเชื่ออะไรหรือปฏิบัติในสิ่งไหนจะต้องเข้าใจเหตุผลชัดเจนและมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติไม่มีการฝืนใจถ้าหากเราจะได้พิจารณาถึงลักษณะของพระอรยิยบุคคลดังที่กล่าวมาเทียบกับพุทธศาสนกชนโดยทั่วไปเราก็จะเห็นได้ชัดว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ทำอะไรค่อนข้างจะงมงายถึงแม้สิ่งที่ทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์แต่ก็ไม่เข้าใจเหตุผลทำตามๆกันมาจนกลายเป็นประเพณีซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ผู้ที่มีปัญญาดูถูกศาสนาทั้งนี้ก็เพราะการสอนศาสนาเท่าที่ปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่ก็มักจะสอนกันไปตามตัวหนังสือตามประเพณี ไม่พยายามที่จะค้นคว้าให้เข้าใจเหตุผลอย่างท่องแท้เพราะเหตุนี้พวกชั้นปัญญาชนทั้งหลายซึ่งไม่ได้ค้นคว้าให้เข้าใจหลักศาสนาอย่างถูกต้องแต่เข้าใจเอาเองตามที่สังเกตดูดจากความเชื่อถือและความประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจึงมักเห็นแต่ความงง ง, ง่ายเลยไม่สนใจต่อศาสนาเท่าที่ควรและมักคิดเสมอว่า ศา ส, สนาไม่สู้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเท่าไรนักจะเอามาใช้พัฒนาสังคมไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยขัดกับความเจริญของโลกแต่ถ้าเราได้ศึกษาให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าพุทธศาสนาสามารถจะนำไปพัฒนาประเทศชาติได้ทุกด้านทุกสาขาและถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งจริงๆเราก็จะรู้สึกว่า ด้วยหลักพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้โลกนี้ประสบสันติอย่างถาวรคนทั้งหลายจะมีการอยู่ดีกินดีอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องสังคมจะเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็รู้ดีว่าคนส่วนใหญ่เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องที่กล่าวมาก็มักจะอดรู้สึกไม่ได้ว่าพระพุทธศาสนาดีจริง แต่จะเอามาใช้กับโลกไม่ได้เพราะขัดกับทางโลกหลายอย่างเพราะฉะนั้นจึงมองไม่เห็นว่าจะนำหลักพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างไรเช่นเมื่อเราจะส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพในทางการศรรมหรือในทางประมงหรือในการตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือไม่ว่าจะหันไปทางอาชีพไหนจะรู้สึกว่ามันขัดกับหลักในทางศาสนาสิทั้งหมดเช่นทหาคนทั้งหลายจะพากันถือศีล ไม่ต้องมากเพียงแค่ศินห้าอาชีพหลายอย่างก็ต้องเลิกเพราะเป็นการผิดศีลความรู้สึกในลักษณะอย่างนี้ฝังจิตใจพวกนักศึกษาเป็นอันมากเลยไม่อยากจะเข้ามายุ่งกับทางศาสนาฝ่ายรัฐบาลถึงแม้จะถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่นเมื่อเปรียบเทียบกับการที่รัฐบาลลงทุนเพื่อการพัฒนาในด้านอื่น กับที่รัฐบาลบำรงในทางศาสนาแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดว่าผิดกันมากมายทางนี้ก็เพราะการพัฒนาในด้านอื่นนั้นมองเห็นได้ชัดว่าจำเป็นและมีประโยชน์จริงๆเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเป็นเอการาชส่วนทางศาสนาที่ไม่ยอมลงทุนอย่างมากมายก็เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าคนทั้งหลายจะพากันเชื่อถือหลักศาสนา และเคร่งครัดต่อศาสนาจริงๆแล้วบ้านเมืองไม่เจริญแน่ซึ่งความเข้าใจอันนี้ข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดว่าเป็นความผิดของรัฐบาลหรือเป็นความผิดของประชาชนส่วนใหญ่แต่ข้าพเจ้าอยากจะพูดว่าเป็นเพราะวิธีการเผยแพร่พุทธศาสนาไม่ได้ทำให้ถูกตามหลักเกณฑ์ของวิธีการสอนที่ดีคนทั้งหลายจึงเข้าใจพุทธศาสนาผิดเลยมองไม่เห็นว่า พุทธศาสนามีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุดอันที่จริงข้าพเจ้ารู้ดีว่าคนส่วนใหญ่ต้องทำบาปต้องผิดศีลไม่มากก็น้อยเพราะถ้าไม่ยอมผิดศีลกันบ้างก็จะอยู่ในโลกไม่ได้แต่คนทั้งหลายไม่รู้สึกว่าหาจจะมีพระอริยะบุคคลเกิดขึ้นในโลกจริงๆในยุคนี้เพียงไม่กี่องค์โลกจะเจริญยิ่งกว่านี้หลายเท่า เหตุร้ายต่างๆที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะทำการกวาดล้างให้หมดไปโดยไม่ยากและความจริงพระอาริยบุคคลจะมีมากเป็นจำนวนตั้งหมื่นหมื่นแสนๆก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงในแง่ที่ว่าถ้าคนทั้งหลายพากันเคร่งต่อศาสนาแล้วประเทศจะไม่เจริญแต่ขอให้มาคิดดูว่าถ้ามีพระอาริย ซึ่งเป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพียงไม่กี่องค์ท่านจะสามารถยับยัง้งหรือแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆให้หมดไปได้จริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้คนทั้งหลายยังมองไม่เห็นว่าพระอาริยบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธนั้นจะเข้ามาช่วยเหลือโลกได้อย่างไรปัญหานเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะนาไปเขียนในตอนต่อไป พระอาริยบุคคลพระโสดาบันตอนที่สามในสังยุตตานิกายมหาวารวักประไตยปิฎกเล่มที่สิบเก้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกาเสียถีว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันสีเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาท ด, ด้วยปัญญานั้นเมื่อปรารถนาที่จะพยากรณ์ตัวเอง ก็สามารถที่จะพยากรตัวเองได้ด้วยตัวเองว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตริรชานสิ้นแล้วมีวิสัยแห่งเปรศสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาศสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงกระแสนิพพานแล้วเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำต่อไปอีกเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในภายภาคหน้าข้อความที่กล่าวมานี้ขอได้โปรดพิจารณาให้ละเอียด จดจำข้อความทุกประโยคไว้ให้แม่นซึ่งหนงเมื่อมีความเข้าใจกระจ่างแจมแจ้งแล้วก็จะทำให้เราได้แนวความคิดที่จะนำมาพัฒนาตัวเองและพัฒนาสังคมได้อย่างมากมายก่อนอื่นขอให้โปรดเข้าใจไว้ก่อนว่าองค์ของพระโสดาบันมีสีอย่างคือหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธสเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระธรรม 3. เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระสงฆ์ 4. เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์โดยสันดานองค์ของพระโสดาบันหรือคุณสมบัติของพระโสดาบันสีประการนี้ได้เคยอธิบายมาแล้วและขอเดียบรดสังเกตว่าโดยทั่วไปพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าองค์ของพระโสดาบันมีห้าแต่ในที่นี้ที่ตรัสว่ามีสี่ ก็เพราะข้อที่หพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วในตอนต่อมาที่ว่าเป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทด้วยปัญญาข้อที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติมในที่นี้ก็คือพระโสดาบันทุกพระองค์สามารถที่จะพยากรณ์ตัวเองได้หรือยืนยันกับตัวเองได้ว่าบัดนี้เรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีวิสัยแหงเรสิ้นแล้ว มีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงกระแสนิพพานแล้วเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำต่อไปอีกเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในภายภาคหน้าข้อนี้หมายความว่าพระโสดาบาันทุกองแน่ใจว่าตัวท่านเองพ้นจากอบายภูมิแล้วยังเด็ดขาดข้าพเจ้าต้องการที่จะขยายความของคุตตพ์บทนี้ให้ละเอียดเพราะจากหลักอันนี้ จะทำให้เรามองเห็นได้ชัดว่าถ้าหากในปัจจุบันนี้จะพึงมีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นจริงๆแม้เพียงองค์เดียวและไม่ต้องถึงขั้นพระอระหันเพียงขั้นพระโสดาบันเท่านั้นก็จะสามารถคลี่คลายแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คนเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ให้หมดไปได้อย่างมากดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของตอนก่อน โดยธรรมดาคนที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้อย่างกว้างขวางนั้นประการแรกที่สำคัญก็คือตัวเองจะต้องรู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเองอิ่มแล้วพอแล้วไม่ต้องการที่จะได้อะไรหรือมีอะไรอีกและอีกประการหนึ่งจะต้องรู้สึกว่าจิตใจของตัวเองสบายแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมแม้จะเลวร้ายสักเพียงไร ก็ทำให้ตัวเองเกิดความทุกข์ไม่ได้คนที่มีคุณลักษณะอย่างนี้ย่อมเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงเพราะคนประเภทนี้เป็นบุคคลที่ไว้ใจได้จริงๆว่าไม่โกงใครไม่เอาเปรียบใครไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่มีมารยาสาไถไม่มีนิสัยตลบตะแลงถ้าจะให้จำเรื่องนี้ง่าย ก็ขอให้นึกถึงคุณในลักษณะของพระอริยบุคคลตามที่กล่าวไว้ในเรื่องสังฆ ค, คุณว่ามีอะไรบ้างบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องสังฆคุนนั้นถ้าหาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวางก็เพราะสาเหตุข้อเดียวเท่านั้นคือความรู้ความสามารถมีไม่พอแต่ในเรื่องความรู้ความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกให้มีให้เป็นขึ้นโดยไม่ยาก ขอให้ลองเปรียบเทียบดูว่าการที่จะสอนคนให้มีความรู้ความสามารถกับการที่จะสอนคนให้หละความชั่วให้หละนิสัยที่ไม่ดีให้เป็นคนที่มีคุณธรรมสูงนั้นอย่างไหนจะยากกว่าเราก็จะเห็นว่าการอบรมคนให้มีภูมิธรรมนั้นยากยิ่งกว่าการอบรมคนให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการงานโลกทุกวันนี้ที่เดือดร้อนก็เพราะคนที่ฉลาด คนที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำอะไรได้มากมายแต่จิตใจไม่สูงคนประเภทนี้ลหละคือตัวการที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในสังคมพระอริยบุคคลทุกองค์เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าการโกงการทุจริตการคอรัปชันหรือการประพฤติใดๆอันเป็นการกระทำที่ผิดไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยศีลธรรมเป็นสิ่งที่วินยูชนติเตียน การกระทําอย่างนี้ท่านไม่ประพฤติอย่างแน่นอนและอีกประการหนึ่งเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านอิ่มแล้วพอแล้วไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปท่านก็ยอมจะไม่มีการกอบโกยไม่มีการสะสมไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการให้สินบนอะไรทำนองนี้และในเมื่อท่านมีจิตใจสบายแจ่มใสอยู่เสมอเหตุการณ์ใดๆหรือสิ่งแวดล้อมใดๆทาให้ท่านเกิดความทุกข์ไม่ได้ เรานี้เรามาคิดดูว่าบุคคลประเภทนี้ถ้าสมมติว่าเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพ่อค้าหรือเป็นข้าราชการอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามท่านมองเห็นหรือไม่ว่าบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงเพราะเขาจะใช้ความรู้ความสามารถใช้เงินใช้อิทธิพลทุกอย่างเท่าที่มีอยู่เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมโดยแท้ บุคคลประเภทนี้จะไม่มีการหวงอำนาจไม่มีการหวงตำแหน่งและจะไม่เป็นอะไรๆเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันในสมัยนี้ซึ่งอะไรๆที่ว่านี้หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ทำความเดือดร้อนให้เกิดแก่ผู้อื่นและจากการที่ท่านเป็นผู้อิ่มแล้วพอแล้วฉะนั้นท่านย่อมจะเป็นผู้ที่มีเวลาเหลือเฟือมีเวลามากมายสาหรับจะทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น และความดีเท่าที่บรรยายมานี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่เราทั้งหลายพอจะมองเห็นแต่อย่างไรก็ดีเรื่องนี้เราจะเข้าใจง่ายขึ้นถ้าหากเราได้รู้จักใครในสังคมซึ่งจะเป็นพ่อค้ากสิกรหรือเป็นข้าราชการก็ตามแต่เป็นคนที่มีความสามารถสูงมากร่ำรวยมากมีอิทธิพลมากแต่มีภูมิธรรมสูงถึงแม้จะไม่ถึงขั้นอริยะ แต่ก็มีลักษณะใกล้เคียงกับภูมิธรรมของพระอาริยะแล้วเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนประเภทนี้เป็นที่ต้องการของสังคมอย่างยิ่งเพียงไรเพราะเราเห็นได้ชัดว่าเป็นบุคคลที่ทําประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างมากมายจริงๆปัญหาที่คนส่วนมากมักจะวิโต ก, กันในเรื่องนี้ก็คือคนส่วนมากมักแต่จะไปคิดแต่ในแง่ว่า พระอริยะบุคคลถึงแม้จะดีจริงประเสริฐจริงแต่ก็ไม่อาจจะเป็นประโยชน์แก่สังคมได้อย่างกว้างขวางเพราะท่านจะไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยไม่ยอมโกหกหรือพูดเท็จไม่ว่าในกรณีใดๆจะพูดอะไรก็ตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีลูกไม้และจะไม่ยอมทำผิดใดๆเลยบุคคลประเภทนี้ไม่อาจจะอยู่ในโลกได้ทำงานใหญ่ไม่ได้ เกี่ยข้องกับคนส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะเท่ากับเอาพระมาทำงานอย่างคารวะาแล้วท่านจะทำได้อย่างไรเพราะคิดเห็นเช่นนี้จึงมองไม่เห็นว่าพระอริยบุคคลเป็นคนที่มีประโยชน์แก่โลกอย่างกว้างขวางและอีกประการหนึ่งเท่าที่เรารู้บุคคลที่ใหญ่โตมีอำนาจมากมีเงินมากวิถีชีวิตของบุคคลประเภทนี้ เท่าที่เขาดำเนินอยู่เกือบจะพูดได้ว่ารักษาศินไว้ไม่ได้เลยเพราะถ้ามัวถือสีนอยู่จะทําอะไรไม่ได้จะอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นไม่ได้เพราะไม่มีใครในโลกที่สามารถจะทำโตได้บริสุทธิ์ขนาดนั้นการดํารงชีวิตอยู่ในทางโลกจะต้องมีการละเมิดผิดศินกันบ้างไม่มากก็น้อยไม่เช่นนั้นอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าจะต้องถือสินเคร่งครัดถึงขนาดนี้ ก็จะต้องไปบวชเป็นพระเท่านั้นจึงจะอยู่ได้อันนี้แหละคือข้อหนักใจและเป็นมุมมืดที่ทำให้พวกนักศึกษาทั้งหลายมองไม่เห็นว่าเราจะไปขอให้พระอริยะท่านมาพัฒนาสังคมได้อย่างไรหรือมาทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างไรข้าพเจ้าใกรที่จะทำความเข้าใจให้เป็นที่แจ้งแจ้งอีกสักครั้งหนึ่งว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้ สมมุติว่าจะมีพระพุทธเจ้ายัางทรงมีชีวิตอยู่พระองค์ก็จะไม่สามารถทำให้คนทั้งประเทศถือศีลได้อย่างบริสุทธิ์ทำให้คนทั้งหลายละเว้นจากความชั่วได้ทุกอย่างและไม่สามารถที่จะชักจูงให้ใครต่อใครพากันบวชทั้งหมดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแต่การที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าถ้าหากจะมีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นจริงๆแม้เพียงองค์เดียวก็สามารถ ที่จะทำให้โลกนี้สันติได้นั้นก็เพราะมีเหตุผลดังต่อไปนี้คือพระอริยบุคคลทุกองค์เป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะในอันที่จะแนะนำสั่งสอนคนและมีความสามารถสูงมากในอันที่จะกลับใจคนให้เลิกละจากกรรมชั่วต่างๆและการที่จะสอนคนให้ละความชั่วได้จริงๆนั้นปัจจัยสำคัญไม่ใช่อยู่ที่วิธีสอนแต่หากอยู่ที่พื้นของแต่ละบุคคลที่จะสอน เหมือนกับชาวนาที่ฉลาดย่อมจะหวานเข้ากล้าลงในนาที่ดีก่อนในเมื่อมีนาอย่างมากมายที่จะใช้ปลูกข้าวเขาจะปล่อยนาที่ไม่ดีเอาไว้ก่อนเพราะปลูกแล้วไม่ค่อยได้ผลเสียเวลาเหนื่อยเปล่ า, ลาด้วยเหตุนี้จึงต้องปลูกข้าวในนาที่ดีก่อนเพราะได้ผลแน่นอนและไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเมื่อเขาปลูกข้าวในนาที่ดีได้ข้าวมาก เขาก็สามารถที่จะแบ่งข้าวที่เขาปลูกได้นั้นไปให้แก่คนที่เขาไม่มีข้าวจะกินหรือแบ่งไปช่วยเหลือคนที่นาของเขาไม่ดีปลูกข้าวไม่ได้ผลถ้าหากมัวไปสนใจกับนาที่ไม่ดีซะก่อนก็จะเสียทั้งเวลาเสียทั้งแรงงานไปเป ล, ลา่าเปล่าเพราะว่าจะไม่ค่อยได้ผลข้อนี้ฉันใดพระอริยบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกับชาวนาที่ฉลาดเนเมื่อท่านจะสอนใคร ท่านก็จะเลือกสอนเฉพาะแต่คนที่สามารถจะเชื่อฟังได้ง่ายประพฤตตัวเป็นคนดีได้ง่ายก่อนในเมื่อบุคคลประเภทนี้มีมากขึ้นมาแล้วท่านก็สามารถจะขอร้องให้บุคคลประเภทนี้ช่วยกันทํางานเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นที่เปรียบเหมือนนาไม่ดีโดยวิธีต่างๆเช่นในกลุ่มคนที่ยากจนมากๆอยู่ในแหลงสลัมมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีการสอนพุทธศาสนาให้กับบุคคลประเภทนี้ จะต้องมีวิธีอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลักส่วนใหญ่จะต้องมีการเกื้อกูลช่วยเหลือด้วยปัจจัยสีด้วยเราจึงจะสามารถชักจูงให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้แต่สำหรับคนที่มีจิตใจสูงมีคุณธรรมมากบุคคลประเภทนี้ไม่ต้องสอนมากเขาก็สามารถที่จะละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ผิดได้โดยไม่ยากบุคคลประเภทนี้ซึ่งเปรียบเหมือนนาที่ดีนั้น ในเมื่อได้รับคำสอนจากพระอริยะแล้วเขาก็จะเป็นผู้มั่นคงในความดีสิ่งแวดล้อมจะมายั่วยุให้เขากระทำสิ่งที่ผิดไม่ได้และโดยปกติคนที่เข้าถึงธรรมจริงๆนั้นย่อมเป็นคนที่กล้าหานกล้าเสี่ยงไม่กลัวตายไม่กลัวจนไม่กลัวลำบากอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่คนส่วนมากแล้วเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงอันตรายกระทาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นได้เสมอ เราอาจจะใช้ให้เขาไปตายก็ยังได้ท่านเชื่อไหมว่าคนดีๆและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานต่างๆในเมืองไทยของเรานี้ก็ยังมีอยู่มากแต่คนเหล่านี้ไม่ค่อยกล้าจะทำอะไรในเมื่อการกระทำนั้นเป็นการเสี่ยงอันตรายที่จะทำให้ตัวเองต้องลำบากแต่ถ้าหากมีใครที่สามารถจะทำให้บุคคลเหล่านี้เกิดศรัทธาได้อย่างสูง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเขาได้อย่างมั่นคงแล้วคนดีที่ว่านี้ก็จะลุกขึ้นพร้อมกันช่วยกันขจัดสิ่งเลวร้ายต่างๆให้หมดไปจากสังคมได้เวลานี้สภาพสังคมที่เราเห็นว่าแย่มากตัวใครตัวมันไม่คิดจะช่วยเหลือกันจริงๆนั้นเป็นเพราะเขาขาดที่พึ่งทางใจเพราะฉะนั้นถ้าหากเขามีหลักธรรมที่ทาให้เขายึดเหนี่ยวได้อย่างมั่นคงแล้วคนเหล่านี้จะไม่กลัวอะไร จะพร้อมใจกันทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเต็มใจด้วยการเสียสละจริงๆเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมหมายเหตุผู้อ่านซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าคนที่มั่นใจว่ารู้ธรรมะจริงนั้นก็ให้ดูกับชีวิตของเขาว่าชีวิตที่เป็นอยู่นั้นอยู่เพื่อเสพสุขให้กับตัวเองหรือว่ามีชีวิตเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เท่าที่พูดมานี้เข้าใจว่าท่านผู้อ่านคงจะพอมองเห็นแล้วว่าทําไมข้าพเจ้าจึงกล้า พ, พูดว่าถ้ามีพระอริยะบุคคลเกิดขึ้นจริงๆแม้เพียงองค์เดียวก็สามารถที่จะขจัดสิ่งเลวร้ายต่างๆให้หมดสิ้นไปจากสังคมได้อย่างมากมายแต่อย่างไรก็ดีท่านควรจะทราบความจริงอีกอย่างหนึ่งเหล่าคือถ้าหากเป็นพระอริยบุคคลจริงๆแม้ท่านจะมีการศึกษาน้อยมีประสบการณ์มาน้อย แต่ความเฉลียวฉลาดความสามารถจะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นอริยะที่เดียวทั้งนี้ก็เพราะพระอริยบุคคลทุกองค์จิตใจของท่านได้เข้าถึงความว่างเข้าถึงความสงบอันประณีตใจเป็นอิสระใจไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดอยู่ในสิ่งใดๆเมื่อเปลี่ยนเช่นนี้ก็เป็นการไม่ยากเลยที่ท่านจะดึงเอาความรู้ความสามารถออกมาจากภายในจิตใจส่วนลึกของท่านได้ หรือพูดอีกในย่าหนึ่งท่านสามารถแสวงหาความรู้หรือคําตอบได้ทุกอย่างค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจากจิตภายในของท่านอย่าลืมว่าจิตใจส่วนลึกนั้นคือแหล่งที่จะให้ความรู้ทุกอย่างซึ่งถ้าผู้ใดาสามารถเข้าถึงหรือเรียกร้องเอามาใช้ได้ความรู้ความฉลาดความสามารถจะผิดจากคนธรรมดามากมายและการริเริ่ม ในอันที่จะสร้างสารรค์ความเจริญจะมีอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันสิ้นสงสัยว่าทำไมพระอริยบุคคลนั้นจึงเป็นผู้มีความสามารถในการกลับใจคนอื่นได้อย่างดีเลิศด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล้าพูดว่าถ้าหากในปัจจุบันจะพึงมีพระอริยบุคคลที่ว่านี้เกิดขึ้นมาจริงๆก็เป็นการไม่ยากที่ท่านจะเข้าไปแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในวงงานต่างๆ อย่าลืมว่าพระอาริยบุคคลทุกองค์ย่อมรู้จักกาลเทศะหรือรู้จักจังหวะที่ดีในอันที่จะทาอะไรและด้วยความสามารถอันนี้ท่านก็สามารถที่จะคิดหาอุบายเพื่อที่จะกลับใจคนที่เป็นตัวการสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมได้โดยไม่ยากอันหนึง่งพระอาริยบุคคลทุกองค์ย่อมรู้ดีว่า คนธรรมดาทั่วไปที่มีชีวิตอยู่ในโลกทุกคนต้องทำบาปไม่มากก็น้อยและการทำบาปก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนในโลกฉะนั้นด้วยการรู้แจ้งข้อเท็จจริงอันนี้วิธีสอนของท่านก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสมกล่าวคือสมมุติว่ามีโจรคนหนึ่งร้ายกาจมากเฉลียวฉลาดมากด้วยถ้าหากจะไปกลับใจโจรผู้นี้ ให้เลิกจากความเป็นโจรได้อย่างเด็ดขาดถ้าทำได้ก็เป็นการดีแน่แต่ถ้าทำไม่ได้ท่านก็จะไปสอนให้เขารู้จักละเว้นในบางสิ่งบางอย่างเสียบ้างเพียงแค่นี้ก็มีประโยชน์มากอยู่แล้วและที่ข้าพเจ้าพูดว่าพระอริยบุคคลมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงนั้นก็เพราะว่าท่านเปรียบเหมือนหมอที่มีความสามารถสูงมากโรคร้ายๆหลายอย่าง ซึ่งมาก่อนรักษากันไม่หายแต่มาบัดนี้ท่านรักษาให้หายได้แล้วเช่นวันโรคโรคมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นท่านจงคิดดูเมื่อสามารถรักษาโรคร้ายๆของใครคนใดคนหนึ่งหายได้อย่างเด็ดขาดการที่จะรักษาโรคประเภทเดียวกันนี้ให้กับคนไข้รายอื่นก็ยอมจะทำได้สำเร็จโดยไม่ยากการแก้ปัญหาต่างๆในสังคมก็เหมือนกับการรักษาโรคนั่นละ่ะ ถ้าเข้าใจแก้แล้วในมิชชั่นก็จะขจัดความเดือดร้อนต่างๆในสังคมให้หมดไปได้คนทั้งหลายที่พากันประพฤติผิด ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่าผิดนั้นเป็นเพราะคนเหล่านี้ไม่รู้ความจริงของชีวิตแต่ถ้าเขาเริ่มเข้าใจความจริงของชีวิตเขาก็จะเลิกละจากความชั่วได้เองโดยไม่ยากแต่ถ้าหากเขายังไม่เลิกเขาก็จะรู้จักสารภาพความผิดกล้าเปิดเผยตัวเอง ซึ่งบางคนที่เราเห็นว่าเขาทำการทุจริตเอาไว้มากไม่กล้าสารภาพอย่างเด็ดขาดนั้นแต่ถ้ามีบุคคลขนายพระอริยะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนคนเหล่านี้ก็จะเชื่อฟังและกล้ารับผิดเพียงแค่นี้มันก็มีประโยชน์มากแล้วไม่ใช่หรืออันหนึ่งคนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนั้นขอให้สังเกตว่าทุกคนจะมีความรู้สึกแบบนี้ เปล่าคือเมื่อเห็นคนอื่นเขาโกงเขากินกันเ้าคอรับชัานกันเ็าทำความชั่วกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับผู้นั้นจะบอกกับตัวเองว่าเขาจะโกงจะกินก็เรื่องของเขาแต่ชันเองไม่ทำแน่เพราะถ้าหากทุกคนจะพากันโกงพากันกินทั้งหมดไม่มีคนดีๆเหลืออยู่บ้างเลยโลกนี้ก็ต้องพินาศแน่และตัวเราเองก็ยินดีที่จะเป็นฝ่ายอยู่ในจาพวกคนส่วนน้อยที่ไม่โกงไม่กิน รการกระทาของเรานี้อย่างน้อยก็เป็นเครื่องทวงไม่ให้โลกนี้พินาศเร็วจนเกินไปและอีกประการหนึ่งคนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนั้นโดยปกติเขาจะคิดเช่นนี้เสมอกล่าวคือเรามาสู่โลกนี้ก็เป็นการชั่วคราวทุกคนต่างก็ต้องเป็นไปตามกรรมของตัวารทำกรรมไว้อย่างไรก็จะได้รับผลกรรมอย่างนั้น แต่สำหรับตัวเราเองนั้นเราปลอดภัยแล้วเพราะเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ตกนรกพ้นจากอบายภูมิเพราะจิตใจของเราสบายอยู่เสมอไม่มีไฟคอยเผาเหมือนคนอื่นตายไปแล้วเราก็สบายอีกถ้าหากเราไม่ทําความดีก็ไม่ทราบว่าจะทําอะไรให้มันดีไปกว่านี้นี่คือความรู้สึกของคนประเภทที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆ ท่านเห็นแล้วหรือยังว่าถ้าหากว่าในยุคปัจจุบันนี้จะพึงมีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นมาจริงๆสักองหนึ่งบ้านเมืองของเราก็จะพ้นจากความยุ่งยากความเดือดร้อนอย่างที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนประการสุดท้ายขอให้ท่านลองพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าไม่ว่าในประเทศไหนคนดีๆที่มีความสามารถยังมีซุกซ่อนอยู่ทั่ ว, วไป ถ้าหากคนเหล่านี้พร้อมใจกันลุกขึ้นทำงานอย่างเต็มที่ไม่กลัวเกรงต่อสิ่งใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งตัวเองจะตายก็ไม่กลัวถ้าหากคนประเภทนี้ลุกขึ้นพร้อมกันจริงๆท่านก็เห็นแล้วว่าปัญหายุ่งยากต่างๆแก้ไขได้แน่นอนแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ที่ปลุกบุคคลเหล่านี้ให้ตื่นขึ้นมาอย่าลืมว่าบุคคลประเภทนี้สอนไม่ยากเปรียบเหมือนานาที่ดี ถ้าเราปลูกข้าวลงในนาประเภทนี้ก่อนคนที่ไม่มีข้าวจะกินเพราะไม่ได้ทำนาหรือไม่มีนาจะทำหรือทาแล้วไม่ได้ผลก็ตามคนเหล่านี้ก็จะไม่อดตายเพราะจะมีข้าวมาแจกใจใ่ายอย่างเหลือเฟือจากนาที่ดีทั้งหลายพระอริยบุคคลแม้เพียงองค์เดียวขอให้เกิดมาในยุคนี้จริงจริงเถิดและท่านกจ็จะพิสูจน์ได้ว่าคาพูดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้เป็นความจริงทุกประการ พระอริยบุคคลพระโสดาบันตอนที่สี่ในบทความตอนที่สข้าพเจ้าได้พูดว่าถ้ามีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นจริงๆแม้เพียงองค์เดียวก็สามารถที่จะขจัดสิ่งเลวร้ายต่างๆให้หมดไปจากสังคมได้อย่างมากมายทั้งนี้ก็เพราะมีเหตุผลอยู่ว่าคนดีๆและคนที่มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานต่างๆในเมืองไทยของเรานี้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 และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือคนดีที่ว่านี้เป็นบุคคลที่สอนไม่ยากเปรียบเหมือนนาดีที่ปลูกข้าวได้งามเพราะฉะนั้นถ้าหากมีใครที่สามารถสอนบุคคลเหล่านี้ให้มีนิสัยเสียสละและไม่กลัวสิ่งใดๆพร้อมที่จะเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าประเทศชาติของเราต้องเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน ก็โดยธรรมดาพระอริยบุคคลแม้ขนายพระโสดาบันก็ยอมเป็นผู้มีความสามารถในอันที่จะกลับใจคนให้เป็นคนดีได้ง่ายมากทั้งนี้ก็เพราะพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้แจ้งในธรรมาจจริงๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระเสกขะจะรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้พระเสกขะจะรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก พระเสคขาจักรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมะที่ตถาคตแสดงไว้ดีแล้วเหมือนแมน่มาลาการผู้ฉลาดรู้จักเลือกสานดอกไม้เอามาทำเป็นพวงมาลัยขอให้สังเกตคำพูดประโยคสุดท้ายที่ว่าพระเสค่จาจักรู้แจ้งซึ่งบทแห่งธรรมะที่ตถาคตแสดงเอาไว้ดีแล้วคำว่าเสกขาแปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ และในที่นี้หมายถึงเฉพาะพระอาริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอนาคามีไม่ได้หมายถึงนักศึกษาทั่วไปส่วนพระอรหันต์เรียกว่าอาเศคาซึ่งแปลว่าผู้จบการศึกษาแล้วขอให้คิดดูว่าขนาดผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นสูงสุดยังเป็นนักศึกษาอยู่แม้จะอยู่ในขั้นต่ำ คือขั้นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นผู้ที่รู้แจ้งในคำสอนของพระองค์เปรียบเหมือนนายมลาการผู้ฉลาดรู้จักเลือกสรรดอกไม้เอามาทำเป็นพวงมาลัยซึ่งคำพูดประโยคนี้หมายความว่าพระอริยบุคคลไม่เพียงแต่รู้แจ้งด้วยตัวเองเท่านั้นแต่สามารถที่จะรู้จักเลือกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาสอนคนทั้งหลายได้อย่างถูกต้องกาลเทศะ และสอนอย่างได้ผลด้วยประเด็นนี้หละคือประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเพราะเหตุไรพระอริยบุคคลถ้าหากเกิดขึ้นในโลกนี้จริงๆแม้เพียงองค์เดียวจึงสามารถที่จะแก้ไขเหตุการณ์อันเลวร้ายต่างๆให้หมดไปได้อย่างมากการสอนศาสนาก็เหมือนกับการลงทุนค้าขายคือถ้าหากฉลาดในการลงทุน ในมิชาก็จะได้กำไรอย่างมากมายหรือคนที่ฉลาดในการทำนาเมื่อปลูกข้าวในนาที่ดีสะก่อนก็ย่อมจะได้ข้าวมากโดยเสียเวลาน้อยเปลืองแรงงานน้อยพระอาริยบุคคลทั้งหลายเปรียบเหมือนพ่อค้าที่ฉลาดหรือเปรียบเหมือนชาวนาที่ฉลาดการสอนของท่านจะต้องได้ผลอย่างดีเยี่ยมทั้งนี้ก็เพราะท่านรู้ว่าควรจะเริ่มต้นจากใก่อน และจะเริ่มสอนอย่างไรจึงจะได้ผลโดยอาศัยหลักการอันนี้ท่านจึงสามารถกลับใจคนที่ไม่ดีให้กลายเป็นคนดีขึ้นมาได้โดยไม่ยากและจากข้ออุปมาที่ว่าท่านยอมจะปลูกข้าวในนาที่ดีก่อนโดยอาศัยหลักอันนี้ในไม่ช้าท่านก็จะได้กำลังคนที่จะมาช่วยสอนหรือคนที่จะมาเป็นประโยชน์ต่อ ง, งานเผยแพร่ได้อย่างมากมาย เมื่อเป็นเช่นนี้คนที่ดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงนั้นก็จะมีจำนวนมากขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่นานโดยอาศัยบุคคลเหล่านี้ละ่ะสิ่งเลวร้ายต่างๆในสังคมก็จะค่อยๆหมดไปโดยลำดับปัญหาที่นักศึกษาส่วนมากคล้องใจอยู่เสมอก็คือเขาเคยเห็นแต่ตัวอย่างว่าคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมสามารถพัฒนาบ้านเมือง จะเดินได้อย่างแท้จริงนั้นไม่มีใครที่สามารถถือศีลได้อย่างบริสุทธิ์โดยไม่เคยผิดศีลข้อใดเลยเราทั้งหลายมักจะมองแต่ในแงน่นี้จึงทําให้มองไม่เห็นว่าพระอริยบุคคลซึ่งท่านจะไม่ยอมผิดศีลเลยไม่ว่าในกรณีใดๆนั้นจะมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างไรการที่คนทั้งหลายมักจะเข้าใจเช่นนี้นั้นเป็นเพราะเขาคิดตามตัวหนังสือ เขาไม่ได้คิดตามข้อเท็จจริงซึ่งถ้าหากเขาคิดตามข้อเท็จจริงแล้วเขาก็จะพบว่าคนทั้งหลายจะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ผิดศีลข้อใดๆเลยพร้อมๆกันไม่ได้เพราะพื้นเดิมของจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นบางคนทั้งที่รู้ว่าการกระทาอย่างนี้ไม่ดีเป็นบาปแต่เขาก็ทำคนประเภทนี้มีมากและมีอยู่ในที่ทัท่วไป เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าหากคนในโลกจะพากันถือศีลอย่างบริสุทธิ์หมดทุกคนโลกก็จะไม่เจริญความมิตกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่การที่ข้าพเจ้ายืนยันว่าประอาริยบุคคลเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงก็เพราะว่าท่านรู้จักกาลเทศะรู้จักความพอดีในอันที่จะสอนคนอะไรเป็นไปได้ อะไรเป็นไปไม่ได้ข้อนี้ท่านรู้จำแจ้งและผลของการสอนซึ่งมันจะออกมาจริงๆนั้นก็คือความเลวร้ายต่างต่างชนิดที่หยาบคายซึ่งใครใครก็มองเห็นโทษอันนี้จะหมดไปจากสังคมโดยรวดเร็วส่วนความชั่วร้ายชนิดที่ยังปากปนอยู่กับความดีซึ่งคนทั้งหลายมองเห็นว่าการกระทําอย่างนี้แม้ว่าจะเป็นบาปแต่ก็เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับคนทั่วไป เช่นการทำการประมงการตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อจะขายหรือเพื่อค่าเอามาเป็นอาหารก็ตามการสงครามการใช้อาวุธปราบปรามผู้ร้ายการทำบาปอย่างนี้ถึงอย่างไรก็ยังมีคนสมัครใจที่จะทำอีกมากเพราะจิตใจของคนเราย่อมเจริญไม่พร้อมกันส่วนผู้ที่มีใจก้าวหน้าในด้านคุณธรรมไปมากแล้วนั้นงานอย่างนี้เขาไม่มาเกี่ยวข้องแต่เขาก็จะไปทางานในด้านอื่น ซึ่งไม่มีการผิดศีลเลยงานประเภทนี้ก็มีอยู่มากมายและเป็นงานที่สังคมก็ต้องการมากเช่นเราทั้งหลายต้องการที่จะให้มีพระอยู่ในสังคมซึ่งเราไม่ยอมให้พระประกอบอาชีพไม่ยอมให้ทำบาปใดใดเราต้องการให้เป็นพระที่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจพระที่บริสุทธิ์เหล่านี้ย่อมเป็นที่ยึดเหนี่ยวในด้านศีลธรรมของประชาชนได้เป็นอย่างดีมาก และผลที่เกิดก็คือบางคนก็สามารถทำตัวให้บริสุทธิ์ได้เหมือนพระแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะปฏิบัติเหมือนอย่างพระไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะรู้เรื่องศาสนาดีอย่างไรเขาก็คงทำไปตามนิสัยหรือตามความถนัดตามความชอบของเขาและคนประเภทนี้แหละซึ่งมีอยู่อย่างมากมายนั้นถ้าหากเขาไม่มีศาสนาอยู่ในใจไม่นับถือพระความประพฤติของเขา จะเลวร้ายยิ่งกว่าที่เห็นเห็นกันอยู่นี้สักเพียงไรและสังคมจะเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นอีกขนาดไหนขอให้สังเกตว่าสังคมแบบชาวพุทธโดยทั่วไปนั้นก็คือถึงแม้เราจะทำบาปกันบ้างก็เฉพาะในกรณีที่จำเป็นไม่มีทางหลีกเลี่ยงเท่านั้นและถึงแม้เราจะทำบาปอยู่เสมอแต่เราก็มีความคิดว่าจะเลิกหรือทาบาปให้น้อยลง ซึ่งในที่สุดคนทั้งหลายก็จะค่อยๆก้าวขึ้นไปสู่ความดีมากขึ้นโดยลำดับและประเด็นที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือบุคคลที่เป็นตัวการสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนนี้แก่สังคมนั้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พระอาริยะยากที่จะไปกลับใจเขาได้แต่สำหรับพระอาริยะบุคคลแล้วถึงแม้ว่าครั้งแรกท่านจะไม่สามารถกลับใจบุคคลส่วนใหญ่ได้ก็จริงแต่ท่านก็จะมองเห็นว่า ใครบ้างเป็นบุคคลที่พอจะสอนได้แล้วท่านก็จะสอนบุคคลประเภทนี้ก่อนในเมื่อบุคคลที่ใกรๆยก็ลงความเห็นว่าเป็นคนที่ร้ายกาศยากที่จะสอนได้นั้นเมื่อท่านสามารถกลับใจก็ได้คนอื่นๆที่ไม่ร้ายกาศถึงขนาดนี้ท่านก็ยอมจะสอนให้เขากลับใจเป็นคนดีได้ง่ายยิ่งขึ้นอันหนึ่งโดยปกติความเลวร้ายต่างๆในสังคมนั้น ย่อมจะมีแหล่งที่มาจากคนชั่วไม่กี่คนถ้าหากกลับใจคนเหล่านี้ได้คนอื่นๆที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนกลุ่มนี้ก็จะพลอยกลับใจไปด้วยปัญหาที่สำคัญซึ่งเราแก้กันไม่ได้ในขณะนี้ก็คือคนที่เป็นตัวการสร้างความเดือดร้อนให้เกิดในสังคมนั้นส่วนมากเป็นคนฉลาดและมีอิทธิพลมากไม่มีใครกล้าไปจัดการหรือไปสอนคนเหล่านี้ให้เลิกจากการกระทาของเขา แต่สำหรับพระอาริยบุคคลแล้วงานที่กล่าวนี้ท่านทำได้โดยไม่ยากด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล้ายืนยันว่าถ้าหากจะมีพระอาริยบุคคลเกิดขึ้นจริงๆแม้เพียงองค์เดียวก็สามารถที่จะกระจัดความเลวร้ายต่างๆในสังคมให้หมดไปได้ปัจจุบันนี้เรามีวัดมีพระอยู่ทั่วประเทศความเลวร้ายต่างๆ ไม่น่าจะเกิดในสังคมแต่ก็เกิดทั้งนี้ก็เพราะเรามีแต่ปริมาณส่วนคุณภาพมีไม่พอเรื่องจึงได้เปลี่ยนเช่นนี้แต่ถึงกระนั้นเราก็จะสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่าพระองค์ใดที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคุณธรรมสูงมีความรอบรู้มีความฉลาดพระประเภทนี้จะได้รับความเคารพนับถือจากคนใหญ่คนโตและจากผู้ปัญญาชนทั่วไป ได้มีอิทธิพลโน้มน้าจิตใจคนทั้งหลายให้อยู่ในศีลธรรมได้ไม่น้อยเลยทั้งที่เราทั้งหลายก็ยอมรับว่าท่านยังเป็นพระปุตชนอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยะก็ยังทำให้เราทั้งหลายเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านด้วยความศรัทธาขนาดเป็นปุตชนยังมีผลถึงขนาดนี้ถ้าท่านเป็นพระอริยะคนทั้งหลายจะเคารพนับถือท่านมากขึ้นอีกสักเท่าไหร่ และความเลวร้ายต่างๆจะค่อยๆหมดจากสังคมได้จริงหรือไม่พระอารียบุคคลตอนที่หปพระโสดาบันปกครองบ้านเมืองได้หรือไม่เมื่อวันที่สีมกราคมพุทธศักราชสองพ คุณหมอพักดีลิ้มสุวรรณได้เขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าฉบับหนึ่งเพื่อระบายความในใจจากการที่ได้ฟังรายการพบประชาชนซึ่งอาจารย์สัญญาธรรมศักด์นายกรัฐมนตรีได้เชิญหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทให้มาพูดด้วยในคืนนั้นตอนหนึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้กล่าวว่าคนธรรมดาที่ยังครองชีวิตอย่างโลกโลกนี้ไม่มีทางที่จะทําพระนิพพานได้และท่านยังพูดอีกว่าคนจิตว่าง จะไม่สามารถทำงานในโลกนี้ได้โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะทางเศรษฐกิจหรือในวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นคนทำงานได้ก็เพราะมีเหตุจูงใจคือความเห็นแก่ตัวหรือยังต้องมีกิเลสนั่นเองและท่านยังได้ยกตัวอย่างว่าอาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์ที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนี้เป็นการเล่นการเมืองนั้นไม่มีทางทาพระนิพพานได้แน่ จากข้อความดังที่กล่าวมานี้คุณหมอภักดีลิมสุวรรณจึงได้เกิดความสงสัยว่าพระอาริยะบุคคลหรือคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อพระนิพพานที่ยังครองเรือนอยู่จะเล่นการเมืองปกครองประเทศหรือปฏิบัติภารากิจอื่นๆในสังคมได้หรือไม่นี่คือปัญหาที่คุณหมอพักดีลิมสุวรรณสงสัยและอยากจะให้ข้าพเจ้าตอบเป็นส่วนตัวแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ เป็นปัญหาของคนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อจะตอบก็ควรจะให้รู้กันทั่วไปคนที่ศึกษาธรรมะจากตัวหนังสือแต่ไม่ได้ปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาหรือปฏิบัติแต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจหลักธรรมได้อย่างกว้างขวางและรู้จักนำมาใช้ให้ถูกต้องการพิจารณาธรรมตามตัวหนังสือ โดยใช้หลักตร ก, กะวิทยามีทางผิดพลาดได้ง่ายมากหม่อมราชวงศ์คกฤทธิ์ปราโมชคงจะลืมไปว่าในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศมคตซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่มากในสมัยนั้นพระองค์ได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันจากการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งในเมื่อสาเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ได้สละราชสมบัติออกบวชหรือเลิกปกครองประเทศ พระนางวิสาขามหาอุบาสิกาอนาถาบินธิกาเศรษฐีและยังมีพระอริยบุคคลอื่นๆอีกมากมายที่เป็นคารวะแต่ก็ยังคงทำงานประกอบอาชีพเช่นทำการค้าขายหรือประกอบกิกรรมเหมือนเดิมซึ่งแปลว่าเมื่อก่อนเคยประกอบอาชีพอย่างไรเคยทำงานอย่างไรในสมัยที่ยังเป็นปุตุชนอยู่แม้เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังทางานอย่างนั้น แต่แน่ละ่ะวิธีทำงานและจุดหมายในการทำงานยอมจะต้องแตกต่างจากเมื่อก่อนเพราะเดี๋ยวนี้จิตใจสะอาดขึ้นมีกิเลสเบาบางมากและเข้าใจเรื่องของชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีทำงานและจุดหมายจึงต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์เท่าที่ยกมาให้ดูเพียงเล็กน้อยนี้ก็เปยนที่เห็นได้ชัดแล้วว่า นักการเมืองหรือนักเศรษฐกิจก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงนิพพานได้พร้อมแม้แต่ผู้ที่บรรลุถึงนิพพานแล้วคือเป็นพระโสดาบันซึ่งแปลว่าผู้แรกบรรลุถึงนิพพานนั้นก็สามารถทํางานในทางโลกได้มากมายปัญหาที่คนส่วนมากสงสัยก็คือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นโดยปกติจะต้องถือศีลเช่นฆ่าสัตว์ยุยติตนเองไม่ได้ สั่งให้ผู้อื่นฆ่าก็ไม่ได้จะพูดโกหกเองหรือสั่งให้คนอื่นพูดโกหกก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นนักการเมืองเป็นนักเศรษฐกิจได้อย่างไรเพราะวิธีของการเมืองและการประกอบอาชีพต่างๆนั้นตามที่ปรากฏอยู่ทั่วไปจะต้องมีการฆ่ากันบ้างมีการพูดเท็จกันบ้างและยังมีการผิดศีลอื่นๆอีกหลายอย่างคนทั้งหลายมักจะมองแต่ในแง่นี้ เราะเคยเห็นแต่ตัวอย่างในทำนองนี้ไม่เคยคิดว่าการปกครองประเทศหรือการประกอบกิจการงานใดๆก็ตามวิธีที่จะไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องเบียดเบียนกันไม่ต้องเอาเปรียบกันไม่ต้องโกหกกันก็มีอยู่และเป็นวิธีที่ถ้าปฏิบัติได้แล้วมีผลดีมากแต่ใ น, นเมื่อคนส่วนใหญ่จิตใจยังก้าวมาไม่ถึงระบบอันนี้ก็เลยมองไม่เห็น เคยเห็นแต่ระบบอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่าคนอย่างอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ถ้าคิดจะไปนิพพานแล้วก็ไม่ควรจะมาเล่นการเมืองไม่ควรจะมาเป็นนักปกครองเพราะถ้าหากมาเป็นก็จะเป็นนักปกครองที่ดีไม่ได้เพราะจะไม่ทันคนจะถูกคนอื่นหลอกบ่อยๆและอ่อนแอด้วยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ไม่ใช่พระอริยบุคคล ันนี้ข้าพเจ้ากล่าวรับรองได้แต่ก็รับรองได้อย่างหนึ่งว่าอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีมือสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีใดๆที่เคยมีมาแล้วและถ้าหากอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์จะได้คลุกคลีในวงการเมืองมานานรู้จักคนมากมายซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงบุคคลที่เป็นตัวจากสาคัญในวงงานต่างๆ และตั้งใจที่จะเป็นนักการเมืองต่อไปข้าพเจ้าก็เชื่อว่าประเทศไทยจะมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าสมัยใดๆที่เคยมีมาแล้วและอาจจะดีกว่าประเทศอื่นๆทุกประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ถ้าหากจะมีอะไรผิดพลาดก็เพราะมีประสบการณ์ในด้านการเมืองน้อยและไม่เคยใฝ่ฝันที่จะเป็นนักการเมืองมาก่อน ถ้าหากจะมีอะไรบุกพร่องก็เพราะเหตุนี้เท่านั้นเพราะการเมืองมีแล่เลี่ยมมากคนที่ซื่อไม่รู้จักตลบตะแลงและมาจะคิดว่าคนอื่นก็เป็นคนดีเหมือนตัวข้อบุกพร่องในเรื่องนี้ยอมจะทำให้คนอื่นหลอกได้ง่ายแต่ถ้าหากมีประสบการณ์มากๆแล้วในที่สุดก็จะรู้ทันคนและจะเป็นนักปุกครองที่ดีที่สุดอนหนึ่ง อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกว่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระอาริยบุคคลในฐานะที่เป็นพระราชาและเป็นพระราชาที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยไม่ใช่เป็นกษัตริย์ที่อยู่ใต้กฎหมายในบางครั้งย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งประหารชีวิตคนที่กระทำความผิดและถ้าบ้านเหมือนเกิดศึกสงครามก็จาเป็นจะต้องสั่งให้ทหารออกรบซึ่งก็เท่ากับสั่งให้ไปฆ่ากัน การกระทําเช่นนี้เป็นการผิดศีลและถ้าผิดศีลก็ต้องแปลว่าพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่พระอริยบุคคลเพราะโดยธรรมดาพระอริยบุคคลทั้งหลายแม้ตัวเองจะตายเพระถูกคนอื่นฆ่าแต่ตัวเองก็จะไม่ยอมฆ่าใครเป็นอันขาดปัญหาเรื่องนี้มีคนสงสัยกันมากเพราะฉะนั้นจึงได้เข้าใจกันว่าคนที่คิดจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปนิพพานนั้น ไม่ควรจะมาเล่นการเมืองใครจะเข้าใจอย่างไรก็ตามแต่ข้าพเจ้ามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่สั่งฆ่าคนอื่นหรือจำเป็นจะต้องฆ่าคนอื่นนั้นถ้าหากทำด้วยความเมตตากรุณาอย่างลึกซึง้งในผู้ที่ถูกฆ่าใจจริงไม่อยากจะฆ่าเลยความโกรธความเกลียดในผู้ที่ถูกฆ่าไม่มีแต่ก็จำเป็นต้องฆ่าหรือสั่งให้ฆ่าเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมือง ในกรณีอย่างนี้ถึงหากจะมีบาปก็น้อยมากตัวอย่างนี้คำภีก็มีเช่นหญิงสาวคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันจะได้สามีเป็นนายพรานเมื่อสามีจะออกป่าล่าสัตว์ก็จดเครื่องสําหรับล่าสัตว์ให้และเมื่อได้เนื้อสัตว์มาก็ช่วยจัดการให้เช่นทําเป็นอาหารให้หรือจัดให้เอาไปขายเรื่องนี้เป็นที่สงสัยของคนในสมัยนั้นมากว่า ผู้หญิงคนนี้พระพุทธเจ้าเกิดตรัส บ, บอกว่าเป็นพระโสดาบันแต่เหตุช่ไหนจึงมาประกอบอาชีพอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบปัญหาข้อนี้โดยตรัสเป็นคาถาว่าถ้าหากแผลที่ฝ่ามือไม่มีก็จะพึงนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้เพราะยาพิษย่อมไม่เข้าไปสู่ร่างกายทางฝ่ามือที่ไม่เป็นแผลข้อนี้ฉันใดบาปก็ย่อมจะไม่มี แกผู้ที่ไม่กระทำบาปเพราะอากุศลเจตนาไม่มีฉันนั้นคำว่ายาพิษในที่นี้ในคำภีไม่ได้บอกว่าเป็นยาพิษชนิดไหนแต่ก็เป็นของแน่นอนว่าเป็นยาพิษชนิดที่เมื่อเอาใส่ไว้ในฝ่ามือถ้าฝ่ามือไม่เป็นแผลแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆคนที่เมื่อมองดูอาการภายนอกก็เหมือนกับคนที่ทำบาป แต่ในเมื่อเจตนาที่จะทำบาปไม่มีเลยใจบริสุทธิ์จริงๆเช่นอย่างภรรยาของนายพรานผู้นี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบาปย่อมไม่มีแก่เธอคำพูดประโยคนี้เป็นพุทธพจน์ซึ่งถ้าหากว่าเข้าใจจริงๆแล้วเราจะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าพระอริยบุคคลเช่นพระเจ้าพิมพิสารแม้จะสั่งให้ฆ่าคนในเมื่อคนนั้นทำผิดกฎหมายบ้านเมืองบาปก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแกพระองค์ แต่นั่นต้องเข้าใจให้ดีว่าเพราะเหตุที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเจตนาที่จะฆ่าใครจริงๆนั้นไม่มีเลยใจบริสุทธิ์จริงๆส่วนปุถุชนนั้นถึงแม้จะถือศีลได้อย่างบริสุทธิ์ตามหลักแต่ใจก็ยังไม่บริสุทธิ์จริงๆเจตนาที่จะผิดศีลจะต้องมีซากเหลืออยู่ในสันดานไม่มากก็น้อย ถ้ามีโอกาสหรือถูกยั่วมากๆก็จะรักษาศีลไว้ไม่ได้ขอให้สังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่แม้จะถูกเข้าฆ่าถูกเข้าทรมานก็จะไม่ฆ่าตอบแม้แต่ในใจก็ไม่คิดที่จะฆ่าความโกรธความเกลียดในศัตรูไม่มีเลยซึ่งข้อนี้เราจะเห็นได้ชัดเมื่อตอนที่พระเจ้าอัชาศัตรูซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสาร จิงราชสมบัติจัดพ่อและนําพ่อไปคังไว้ในคุกได้ทรมานพ่อด้วยวิธีต่างๆจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนในคุกคนที่เคยอ่านประวัติตอนนี้จะทราบได้อย่างดีว่าพระเจ้าพิมพิสารไม่มีความโกรธลูกเลยแม้แต่นิดเดียวยินดีรับการทุกทรมานต่างๆด้วยความเต็มใจนี่แหละคือน้ําใจที่แท้จริงของพระอริยบุคคลซึ่งในบางครั้ง ถ้าหาพระองค์จะรับสั่งให้ลงโทษใครตามกฎหมายของบ้านเมืองนั่นก็เป็นเพราะกรรมของเขาเองที่บังคับให้พระองค์ต้องทำอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ดีตามประวัติของพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์รับสั่งให้ฆ่าใครการศึกสงครามก็ไม่มีถ้ามีใครทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองพวกอัามาดก็จัดการไปตามหน้าที่แถ้ามีใครนำนักโทษเข้ามาเฝ้าเพื่อให้ทรงชี้ขาด ในบางกรณีพระองค์ก็รับสั่งให้ปล่อยตัวฉันเคยมีโจรคนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเป็นพระเป็นลูกศิษย์ของพระมหากรสปะและเคยได้ฌานต่อมาภายหลังอยู่ไม่ได้ต้องสึกและมาคบกับคนไม่ดีในที่สุดกลายเป็นโจรและถูกจับตัวได้ซึ่งตามกฎหมายในสมัยนั้นต้องถูกประหารชีวิตแต่ในขณะที่จะถูกประหารพระมหากสปะมาพบเข้าท่านได้เตือนให้นึกถึงกรรมฐาน ในสมัยที่เคยเป็นพระซึ่งเขาก็ทำตามได้และเข้าฌานได้ด้วยในที่สุดจึงไม่กลัวตายไม่สะดุ n งต่ออาวุธต่างๆที่เพชฌฆาตเตรียมจะประหารพวกนี้แปลกใจมากไม่กล้าฆ่าและนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระองค์ได้ตรัสถามถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็รับสั่งให้ปล่อยตัวไปและต่อมาบุคคลผู้นี้ได้บวชอีกและได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วย จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้อาจจะทำให้คนทั้งหลายสงสัยว่าพระเจ้าพิมพิสารทำถูกแล้วหรือในเมื่อผู้นี้เป็นโจรมีความผิดตามกฎหมายจริงแต่แล้วไม่รับสั่งให้ลงโทษอะไรเลยกลับปล่อยตัวไปและเป็นไปนได้หรือซึ่งคนที่เคยเป็นโจรกลับตัวไม่นานเท่าไหร่ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ปัญหาต่างในทํานองนี้ข้าพระเจ้ายังไม่ตอบ ปล่อยให้ผู้อ่านนำไปคิดกันเสียก่อนต่อเมื่อมีใครถามปัญหามาจึงจะตอบและก็ใครที่จะฝากข้อคิดว่าอีกสักอย่างหนึ่งว่าบ้านเมืองของเราเวลานี้คนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งสามารถจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก็มีสัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ก็สามารถที่จะทำให้ประเทศมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ได้แต่สิ่งที่ยังขาด และยังขาดมากด้วยนั้นก็คือน้ำใจคนจะโดยวิธีใดก็ตามถ้าสามารถพัฒนาจิตใจของคนในชาติส่วนใหญ่ให้มีภูมิธรรมสูงสมกับเป็นเมืองพุทธศาสนาจริงๆแล้วบ้านเมืองจะต้องเจริญอย่างแน่นอนแล้วเราควรจะให้บุคคลประเภทไหนเล่ามาปกครองประเทศโดยเฉพาะคือมาเป็นรัฐบาลข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ศึกษาทางพุทธศาสนา และไม่พยายามที่จะยึดถือคำสอนในทางศาสนาเฉพาะแต่ในแง่ที่สนับสนุนความเห็นของตัวเองถ้าหลักคำสอนบทไหนขัดแย้งกับความเชื่อและความคิดเห็นของตนเองแล้วก็มักจะปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนาหรือกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังพระอัฏฐกถาจารย์เขียนขึ้นเองอะไรทานองนี้ถ้าหากไม่มีนิสัยแบบนี้และยินดียอมรับ ที่จะพิจารณาหลักคำสอนในแง่อื่นๆแม้ที่ขัดแย้งกับความเห็นของตนเช่นในกรณีดังเรื่องที่กล่าวมามันไม่น่าจะเป็นไปได้หญิงสาวเป็นพระโซดาบันแต่ไปรักในพรานและยังช่วยจัดหาอาวุธเครื่องมือต่างๆสำหรับที่จะไปล่าสัตว์อีกด้วยฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับหลักอื่นๆส่วนคถาที่อ้างมานั้นฟังดูก็รู้สึกว่า มีเหตุผลดีแต่ก็ไม่น่าจะเข้ากับเรื่องนี้ได้ใครจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาก็บันทึกเอาไว้แล้วว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นพระโสดาบันและก็สามารถปกครองบ้านเมืองได้เรียบร้อยประชาชนได้รับความร่มเยน็นและในสมัยของพระองค์ไม่เคยลุกรานประเทศไหนเลยแต่บางคนก็อาจจะเห็นอีกว่า กษสตร์แบบนี้ไม่ดีอ่อนแอเกินไปบางคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้แต่หลักธรรมก็มีอยู่ว่าคนเราย่อมคิดได้ตามนิสัยสันดานหรือตามวิบากของตนใครจะคิดอะไรให้เกินไปกว่านิสัยสันดานหรือวิบากของตนนั้นเป็นไปไม่ได้อันหนึ่งเราควรจะทราบวปอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงนิพพานนั้น มีอยู่สองประเภทคือประเภทหนึ่งทําเพื่อส่วนตัวไม่ได้มุ่งจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ด้วยส่วนอีกประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์แม้ตนเองจะมีบุญบา ร, รมีพอที่จะบรรลุถึงนิพพานได้แต่ก็จะยังไม่ไปจะต้องสร้างบา ร, รมีเพื่อช่วยสัตว์ทวาโลกต่อไปอีกจนกว่าจะมีความสมบูรณ์ถึงขั้นที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ จึงจะตัดสินใจไปนิพพานไม่คิดกลับมาเกิดอีกสำหรับบุคคลประเภทหลังนี้จะมีคติธรรมประจําตัวอยู่เสมอว่าเมื่อมีความจําเป็นตนเองก็ยินดีที่จะตกนรกเพื่อจะให้คนทั้งหลายได้ไปสวรรค์หรือเพื่อให้คนทั้งหลายพ้นทุกข์หรือเพื่อปราบอธรรมให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงว่า คนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อนิพานจะเป็นนักการเมืองไม่ได้เพราะถึงอย่างไรคนที่มีธรรมะอยู่ในใจถึงขั้นที่อาจจะบรรลุถึงนิพานได้นั้นย่อมเป็นนักบุกครองที่ดีกว่าคนที่ไม่มีธรรมะหรือมีแต่ก็น้อยเกินไปท่านเชื่อหรือไม่ว่าถ้าในอดีตนักการเมืองทั้งหลายเป็นนักธรรมะด้วยบ้านเมืองของเราก็คงจะดีกว่านี้มากมายมานานแล้ว ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานจะเล่นการเมืองได้หรือไม่หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องพระโสดาบันปกครองบ้านเมืองได้หรือไม่ซึ่งเป็นการตอบข้อข้องใจที่คุณหมอพักดีลิ่มสุวรรณได้ถามมาคุณหมอพักดีก็ได้เขียนจดหมายถามมาอีกว่าสําหรับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วจะเล่นการเมืองได้หรือไม่นั้นไม่สงสัยแล้วแต่สงสัยว่า ผู้ที่ปฏิบัติธรรมยังไม่สําเร็จคือยังไม่ได้บรรลุนิพพานถ้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองจะมีหวังปฏิบัติธรรมได้สําเร็จหรือไม่หรือผู้ดอีกในย่าหนึ่งผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่ไม่ควรจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อทํานิพพานให้แจ้งเพราะจะไม่มีทางสําเร็จอย่างนี้จะถูกหรือไม่การที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นคุณหมอพักดีเล่าใฟังว่าเป็นเพราะได้ยินหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช พูดทางทีวีในรายการพบกับประชาชนในคืนวันที่เคยอ้างมาแล้วว่าในรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างใหม่นี้ไม่อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเลือกตั้งได้ด้วยเหตุผลว่าภิกษุกำลังทำนิพพานก็มีควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองและหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชยังได้สรุปอีกว่าคนที่เล่นการเมืองทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ เายกอาจารย์สัญญาธรรมศักต์เป็นตัวอย่างหมายเหตุสำหรับอาจารย์สัญญาธรรมศักต์นั้นคืออดีตนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งถูกสื่อมวลชนตั้งฉายาให้ว่ารัฐบาลท่านพระครูเนื่องจากเป็นบุคคลที่ธรรมะธรมโมโซึ่งช่วงนั้นเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทยคือเหตุการณ์14ตุลา พุทธศักราช2516การตอบปัญหาครั้งก่อนคุณหมอพักดีว่ายังไม่ถูกประเด็นนักจึงอยากให้ตอบอีกตามประเด็นของปัญหาที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตอบมาอีกครั้งหนึ่งดังต่อไปนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุ ถ, ถึงนิพพานไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นครวะ ถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์จริงๆตามหลักอริยามากมีองค์แปดแล้วไม่มีทางบรรลุได้เลยไม่ว่าในกรณีใดๆนี่คือหลักตายตัวแต่ก็ควรจะทราบไว้ด้วยว่าเคยมีตัวอย่างมากมายที่บุคคลบางคนกลิ่นเล่ายังไม่ทันจะหมดไปจากปากแต่เมื่อได้ฟังธรรมะจากพระพุทธองค์แล้วได้บรรลุมรรคผลก็มีเช่นสัน ต, ติมหามาตและสหายของนาวิสาขาเป็นต้น หรือบางคนทั้งที่ได้ทำบาปมาแล้วอย่างมากแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเลิกยังกำลังจะทำอยู่แต่เมื่อได้ฟังธรรมมาจากพระพุทธองค์แล้วก็ทำให้เลิกจากการทาบาปได้อย่างเด็ดขาดและต่อมาก็ได้บรรลุมรรคผลก็มีเช่นพระองคุลิมานและโจรที่คิดจะฆ่าสังกิตจะสามเณรซึ่งเป็นพระอระหันต์แต่พยายามฆ่ายัางไรก็ฆ่าไม่ได้ในที่สุดเลยทิ้งดาบกลับใจขอบวช และต่อมาก็ได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์ตัวอย่างเช่นนี้มีอยู่มากมายเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่กำลังทำบาปอยู่เพราะเหตุการณ์บังคับหรือเพราะความสมัครใจเองหรือเพราะอะไรก็ตามก็อยู่ในฐานะที่จะบรรลุมรรคผลได้ถ้าจิตใจของเขาได้เจริญมาถึงขั้นที่ควรจะบรรลุได้ตรงกันข้าม คนที่จิตใจยังจเจริญไม่ถึงขั้นถึงแม้ว่าตนเองจะพยายามปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างเคร่งรัดสักเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีทางบรรลุได้เลยเมื่อไรจิตใจจึงจะเรียกว่าถึงขั้นปัญหาอันนี้จะยังไม่ขอพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดมากแต่ใกล้จะชี้ให้เห็นความจริงอีกง่หนึ่ง ซึ่งคนส่วนมากมักจะมองไม่เห็นกล่าวคือการทำความชั่วหรือการกระทำความผิดใดๆก็ตามนั่นก็คือทางที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันทางนี้เพราะอะไรเพราะคนที่จะรู้ซึ้งว่าความชั่วเป็นสิ่งไม่ดีจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายตั้งใจเลิกจริงๆนั้นก็ต่อเมื่อผู้นั้นจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องความชั่วมาอย่างมาก หรือได้เคยเห็นตัวอย่างด้วยตนเองอย่างแจ่มแจ้งมาแล้วจึงกระทั่งไม่มีความกดดันอยากจะทำความชั่วอย่างนั้นอีกต่อไปคนส่วนมากที่ทำความชั่วทั้งที่รู้อยู่ว่ามันเป็นความชั่วแต่อดทําไม่ได้นั้นก็เนื่องมาจากยังมีความกดดันในเรื่องความชั่วยังไม่ซึ้งในโทษของความชั่วอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นคนที่พื้นจิตใจส่วนใหญ่มีคุณธรรมมาก หรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนดีมากอยู่แล้วแต่ก็ไม่อาจจะบรรลุมากผลได้ทั้งๆ ท, ที่ควรจะบรรลุได้นั้นเป็นเพราะยังมีความกดดันในบางสิ่งบางอย่างอยู่คนประเภทนี้ไม่มีโอกาสได้สนองความต้องการจนถึงจุดอิ่มตัวของมันแล้วการบรรลุมากผลก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเขานี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนทั้งที่กลิ่นเหล้ายังไม่หมดไปจากปาก หรือมือยังไม่ทันหมดจากกลิ่นข้าวเลือดแต่แล้วก็บรรลุมรคผลได้หมายเหตุผู้อ่านให้สังเกตจากชีวิตจริงของสตีหลายคนซึ่งรวยมหาศาลแต่สุดท้ายก็สละทุกอย่างออกบวชนะครับคนบางคนนั้นแม้จะสะสมคุณธรรมมีความดีมีความเข้าใจธรรมแต่ถ้ายังติดข้องสงสัยในบางเรื่องยังไม่เห็นชัดจริงว่า สิ่งนั้นไม่ใช่ความสุขจริงก็จะยังละวางไม่ได้เหมือนกับอาหารบางอย่างที่คนก็ลือกันว่าอยากจะหาอะไรอร่อยได้เท่านี้อีกแล้วแต่ถ้าได้กินจริงๆและกินทุกวันไม่นานก็เบื่อและก็จะเห็นตามจริงว่าความอร่อยนี้ไม่เที่ยงและไม่ใช่สุขที่แท้จริงคนที่รวยมากๆและมีปัญญามากพอนั้นสุดท้ายแล้วเขาก็จะเห็นว่ายิ่งรวยก็ยิ่งทุกข์ความรวยก็ยังเต็มไปด้วยความทุกข์ ไมใช่ความสุขแท้จริงจึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็นหลายท่านที่ทิ้งสมบัติมากมายแล้วออกบวชซึ่งท่านเหล่านั้นเมื่อบวชแล้วจะมียึดติดในลาบยศสรรเสริญจะตัดขาดในเรื่องทางโลกได้ง่ายกว่ามากต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่านเรื่องเหล่านี้มาก่อนถ้าไม่สามารถปฏิบัติทางจิตจนได้ความสุขทางจิตอย่างแท้จริงบางทีก็ยังสงสัยไม่จบสิน้นท่านว่าในทางตรงข้ามกันนั้นก็คล้ายกับคนที่โมโหไปหมด เห็นอะไรก็ขวางงูขวางตาไปหมดอยากจะเปลี่ยนคนโน้นอยากจะเปลี่ยนคน น, น, น, ค น, นี้ตำหนิเขาไปทั่วการด่าของเขานั้นวันหนึ่งก็จะเห็นตามจริงว่ายิ่งด่าตัวเองก็ยิ่งทุกข์ด่าไปคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนด้วยในที่สุดก็จะเห็นตามจริงว่าสิ่งที่ควรจะแก้ไขก็คือทำใจอย่างไรให้ทนกับสิ่งเหล่านั้นได้และแก้ที่ตัวเองถ้าเขาไม่ด่าไปทั่วไม่ด่าเป็นประจำ ก็อาจจะไม่ได้เห็นความจริงข้อนี้เลยว่าทุกเกิดจากตัวเขาเองด้วยเหตุ น, นี้ท่านถึงว่าความชั่วบางอย่างหรือการหลงโลกการเสพติดทั้งโลกบางอย่างนั้นก็อาจเป็นทางบรรลุหรือเป็นทางเพื่อการเข้าใจธรรมอย่างที่ท่านว่าไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมซึ่งแต่ละคนก็มีแตกต่างกันไปนะครับ ถ้าหากเข้าใจเหตุผลในเรื่องนี้แจ่มแจ้งจริงๆก็จะไม่สงสัยอีกต่อไปว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานจะเล่นการเมืองได้หรือไม่หรือผู้ดีในยะหนึ่งคนที่ยังต้องทำความชั่วหรือยังต้องผิดศีลข้อนั้นข้อนี้อยู่จะสามารถบรรลุมรรคผลได้หรือไม่ในเมื่อเขาก็พยายามปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเท่าที่สามารถจะทาได้และก็มีจุดหมายว่าต้องการจะบรรลุให้ถึงนิพพานด้วย ทุกคนต้องเคยทำความผิดมาก่อนเหมือนกับการหัดอ่านหัดเขียนหนังสือซึ่งครั้งแรกต้องผิดมากกว่าถูกแล้วต่อมาก็ค่อยๆถูกมากขึ้นจนถึงขั้นสมบูรณ์การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าหากใครจะคิดว่าถ้าเราจะทาให้สมบูรณ์จริงๆไม่ได้ก็ไม่ควรจะสนใจปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานเลยเช่นนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นความคิดที่ผิดแน่ ท่านเคยเข้าใจหรือเปล่าว่าทำไมทางพุทธศาสนาจึงไม่มีการบังคับให้เชื่อและบังคับให้ต้องทำตามในบรรดาบุคคลที่สำเร็จมากผลนิพพานนั้นเมื่อก่อนก็ล้วนแต่เคยทำผิดมาด้วยกันทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมจะต้องมากะเกณไม่ให้นักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมีให้ปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานเล่าเพราะถ้าจะบังคับกันเช่นนี้แล้วก็แปลว่า พระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ควรจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีทางที่จะบรรลุมรคนิพพานได้และพระเจ้าแผ่นดินของไทยเราอย่างเช่นสมเด็จพระจองเกล้าสมเด็จพระปิยมหาราชเช่นนี้เป็นต้นก็ไม่ควรจะเรียนศาสนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเนื่องจากไม่มีทางจะบรรลุนิพพานได้และในหลวงองค์ปัจจุบัน ในที่นี้คือราชการที่9ก็มีควรจะทรงนั่งสมาธิเพราะพระองค์อยู่ในฐานะที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองเหมือนกันแต่ความจริงในหลวงของเราทรงนั่งสมาธิทุกวันอาจารย์สัญญาก็นั่งสมาธิทุกวันการกระทําอย่างนี้ควรหรือไม่จําเป็นหรือไม่คนเราต้องค่อยๆสะสมบารมีไปทีละน้อยทีละน้อยจนกว่าบารมีจะสมบูรณ์ คือถึงขั้นที่จะบรรลุนิพพานได้ซึ่งมาถึงขั้นนี้แล้วไร้ไหรือเหตุการณ์ใดๆก็ไม่อาจจะยับยั้งเขาไว้ได้การดำรงชีวิตอย่างคารวาะซึ่งบางตอนก็บริสุทธิ์ดีแต่บางตอนก็ไม่บริสุทธินั้นถ้าหากมีความตั้งใจจะบรรลุนิพพานและพยายามทำความดีอยู่เสมอสักวันหนึ่งจิตใจก็จะสมบูรณ์ถึงขั้นที่จะบรรลุได้เอง ถ้าหากเราไปคิดตัดเสิยตั้งแต่แรกว่าคนไหนถ้าเล่นการเมืองก็ไม่ควรจะปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานถ้าใครๆพากันคิดเช่นนี้ก็เห็นทีจะไม่มีนักการเมืองที่มีธรรมะอย่างแน่นอนและท้านักการเมืองมีธรรมะไม่พอบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรข้อนี้เราเห็นตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขา อ, อย่าได้คิดแบบนี้กันอีกเลยเพราะถึงอย่างไรนักการเมืองที่มีธรรมะอยู่บ้างนั้น ก็ยังดีกว่านักการเมืองที่ไม่สนใจต่อธรรมะเสเลยพระโสดาบันตอนที่เจ็ดพื้นฐานของผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันคนที่จิตใจยังเจริญไม่ถึงขั้น ถึงแม้ว่าตนเองจะพยายามปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างเคร่งรัดสักเพียงไรก็ตามก็จะไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยนี่คือข้อความตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในตอนที่แล้วและได้ตั้งปัญหาถามว่าอีกว่าเมื่อไรจิตใจจึงจะเรียกว่าถึงขั้นซึ่งปัญหาข้อนี้ยังไม่ได้อธิบายฉะนั้นในตอนที่เจนี้จะขออธิบายเกี่ยวกับปัญหานี้โดยละเอียด การที่จะตอบปัญหาข้อนี้ได้อย่างถูกต้องนั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่เราจะต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่าโดยธรรมดาพระอริยบุคคลมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำตัวที่แน่นอนและมัน่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันที่จริงการที่จะรู้ว่า พระอริยบุคคลมีคุณสมบัติอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะในบทสวดมนต์เรื่องสังฆ ค, คุณซึ่งเป็นบทที่เราสวนมากคุ้นเคยกันดีนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้อย่างดีแล้วแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะได้พิจารณาถึงเนื้อหาโดยละเอียดฉะนั้นจึงไม่ค่อยจะทราบถึงความหมายที่ลึกซึง้งและไม่รู้ว่าจากเรื่องสังฆ ค, คุณนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงถึงวิธีการในการพัฒนาสังคมไว้อย่างดีที่สุดเพราะหลักการศึกษาก็ดีหลักการปกครองก็ดีหลักการเศรษฐกิจก็ดีแต่ได้พัฒนาโดยยึดถือหลักนิ้วเรื่องสังฆคุณเป็นแนวทางแล้วรับรองได้ว่าบ้านเมืองจะต้องเจริญถึงขั้นที่เรียกว่าอยู่ในยุค ข, ของพระสีอานทีเดียวในบสวดมนต์เรื่องสังฆคุณนี้ มีข้อความดังนี้สุปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโขหมูหม่แห่งห yes, สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชูปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโขหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโขหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรยาติทางสาวกที่ว่านี้คือใครจัดตาริปุริสายุคานิอัฏฐาุริสบุคาลาเอสาภะควะโตสาวะกะสังโฆ ค, คือบุคคลสีคู่หรือบุคคลแปประเภทนี่แหละ คือหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้สังเกตคาว่าสังโคแปลว่าหมู่ไม่ได้แปลว่าพระสงฆ์ฉะนั้นคำว่าสาวกสังโคจึงแปลว่าหมู่แห่งสาวกและสาวกที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมานั้นหมายถึงสาวกที่เป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นเพราะในบทต่อมามีคำถามว่า ยาติท่างซึ่งแปลว่าสาวกที่ว่านี้คือใครและแล้วก็มีคำตอบมาว่าจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคลาซึ่งแปลว่าได้แก่บุคลคลสี่คู่หรือบุคคล8ประเภทอันหนึ่งเมื่อพูดถึงสาวกก็ขอเยบโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าไม่ใช่หมายเฉพาะแต่สาวกที่เป็นนักบวชเท่านั้น เพราะคารวะที่เป็นพระอริยบุคคลก็มีเพราะฉะนั้นในคมภีร์จึงได้แบ่งสาวกไว้สีประเภทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโดยในย่านี้คําว่าหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงหมายถึงสาวกที่เป็นพระอริยบุคคลทั้งสี่ประเภทส่วนพระสงฆ์หรือนักบวชประเภทใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนั้น ถึงจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรก็ไม่นับว่าเป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและเมื่อไม่ใช่เป็นสาวกที่แท้จริงก็ย่อมหมายถึงว่าคุณสมบัติทั้งสี่ประการดังที่กล่าวมานั้นถ้าหากจะมีแต่ก็จะไม่แน่นอนและมันคงเหมือนกับพระอริยบุคคลสุปฏิปันโนซึ่งแปลว่า เป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นพระพุทธโคสอาจารย์หรือพระพุทธโคสเทระได้อธิบายไว้ในคำภีวิสุทธิ์ที่มากว่าที่ว่าปฏิบัติดีนั้นหมายความว่าปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติคืออยู่ในทางที่จะนำไปสู่นิพพานและไม่ปฏิบัติถอยหลังไม่ปฏิบัติเป็น่าสึกต่อธรรมวินยัยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม อีกในยะาหนึ่งท่านอธิบายว่าที่ว่าปฏิบัติดีนั้นหมายถึงปฏิบัติไปตามธรรมวิไนที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนไว้ไม่ปฏิบัติให้ผิดไปจากธรรมวิไนอีกในย่าหนึ่งท่านอธิบายว่าที่ปฏิบัติดีนั้นหมายความว่าบุคคลเหล่าใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคและในผลบุคคลเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดี เราเป็นผู้เพียรพร้อมไปด้วยมัสมีองแปดและเป็นผู้ที่ได้บรรลุถึงธรรมที่ควรบรรลุด้วยการปฏิบัติชอบตามมัชที่มีองแปดนั้นจากคำอธิบายของพระพุทธโกษ า, าจารนี้สรุปได้ว่าคำว่าปฏิบัติดีหมายความว่าปฏิบัติอยู่ในมัสมีองแปดคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําทิชอบ สัมมาวาจาพูดชอบสัมมากัมมันตะทำชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิสมาธิชอบหมายเหตุซึ่งก็แบ่งเป็นสามกลุ่มคือส ม, มาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปานั้นอยู่ในหมวดปัญญา สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอยู่ในหมวดศีลสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอยู่ในหมวด ส, ส, ส, ส, ส, สมา ธ, มมาธิแนะนำให้ฟังคำอธิบายโดยละเอียดได้จากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายนะครับเรื่องมรรคแปดเป็นเรื่องที่มีความหมายละเอียดลึกซึ้งมาก ในที่นี้จะอธิบายแต่เพียงบางแง่เพื่อเป็นข้อสังเกตเท่านั้นเช่นที่ว่าพระอริยบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นในความหมายอันหนึ่งก็คือเป็นผู้มีสัมมาวาจาคือท่านจะไม่ยอมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบและพูดเพ้อเจ้อเป็นอันขาดไม่ว่าในกรณีใดๆหมายเหตุแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับว่า การพูดนั้นก็ต้องพูดด้วยจิตที่หยาบในพระไตรปิฎกนั้นมีตัวอย่างพระอรหันต์พูดคำหยาบและพระพุทธเจ้าทรงตัดสินว่าไม่ผิดเพราะขาดเจตนาเป็นวาสนาคือความเคยชินที่ติดมาจากชาติก่อนเท่านั้นเรื่องนี้ก็คล้ายกับคนแก่สมัยโบราณที่เราจะเห็นได้ว่าคำบางคำนั้นเป็นคำติดปากของท่านท่านพูดด้วยจิตที่เมตตาคนฟังจึงไม่รู้สึกว่าหยาบ หรือครูบาอาจารย์บางท่านนั้นที่เหล่านักปฏิบัติยอมรับว่าท่านปฏิบัติถึงแล้วจริงๆแต่บางครั้งการสอนสิทธิ์บางคนที่หัวดือ้อหรือมีทิฏฐิแรงมากท่านก็ใช้คํายามในการสอนเป็นการสอนเฉพาะคนคนนั้นจริงๆแต่หลักสําคัญก็คือต้องเข้าใจว่าท่านขาเจตนาในการดา่าหรือการส่อเสียดเป็นเพียงกิริยาไม่ใช่กรรมซึ่งเรื่องข้อยุคเว้นประเภทนี้ต้องศึกษาให้เข้าใจให้ดีด้วยนะครับ ไม่งั้นจะเข้าใจผิดและเผลอปรมามทย์พระอริยะได้พระอริยะบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติดีนั้นในความหมายอันหนึ่งก็คือเป็นผู้มีสัมมาวาจาคือท่านจะไม่ยอมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเป็นอันขาดและเป็นผู้มีสัมมารกรรมันต์ตักคือจะไม่ยอมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกามเลย ไม่ว่าในกรณีใดๆและเป็นผู้มีสัมมาสมาธิก็คือเป็นผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้เสมออย่างน้อยก็ในขั้นปฐมฌานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าที่ว่าพระอริยบุคคลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีอยู่เสมอนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งเพียงไรและคนที่มีคุณลักษณะเช่นนี้แน่นอนย่อมเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง แต่นักศึกษาส่วนมากในเมื่อคิดว่าถ้าจะเอาพระอาริยบุคคลมาปกครองบ้านเมืองหรือมาพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็คอยแต่จะนึกถึงตัวเองหรือนักการเมืองนักเศรษฐกิจโดยทั่วไปว่าคนที่มีมือสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดนั้นจะคลุกคลีกับการเมืองหรือการเศรษฐกิจไม่ได้เพราะการทางานประเภทนี้ต้องมีการผิดศีลบ้างไม่เช่นนั้นทางานไม่ได้ เรามัวแต่คิดกันในแง่นี้จึงไม่มีใครนึกเฉลียวใจว่าบุคคลที่ตั้งใจเดินทางไปสู่นิพพานนั่นแหละคือบุคคลที่สามารถจะแก้ปัญหาของสังคมได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เรารู้กันดีว่าบ้านเมืองยุ่งยากมีความเดือดร้อนกันไม่สิ้นสุดก็เพราะการคอร์รัปชันหรือการทุจริตต่างๆแต่แล้วก็คิดแต่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ ตามหลักกฎหมายหรือตามหลักเศรษฐกิจเท่านั้นไม่ได้คิดกันอย่างจริงจังที่จะแก้ปัญหาในด้านจิตใจครั้นแนะนำให้นำเอาหลักศาสนามาแก้ก็หาว่าสูงเกินไปคนทั้งหลายทำตามไม่ได้คนทั้งหลายไม่รู้ว่าผู้ที่จะก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนั้นจะต้องมีพื้นฐานอย่างไรมาก่อนอันนี้นักศึกษาส่วนมากไม่ทราบเลยเพราะถ้าทราบแล้ว ก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิธีการแก้ปัญหาสังคมที่ได้ผลจริงๆนั้นจะต้องทำอย่างไรการทำอะไรก็ตามโดยปกติเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งถึงแม้เราจะทำไม่ได้ตามนั้นทำได้เพียงสองในสาหรือสักครึ่งหนึ่งก็ดีแล้วในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น อย่าไปคิดว่าคนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนเคร่งในทางศาสนาจะปกครองบ้านเมืองหรือพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้คนที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนั้นจากเรื่องมรรคมีองค์แปดก็เห็นแล้วว่าจะต้องเป็นคนที่พยายามหัดให้เป็นคนมีศีลและจะต้องฝึกสมาธิด้วยรวมทั้งจะต้องฝึก ให้มีคุณธรรมอย่างอื่นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะก็คือบารมีทั้งสิบคือทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาคุณธรรมทั้ง1ิบนี้จะต้องฝึกฝนอบรมอย่างมากไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางบรรลุมากผลนิพพานได้เลยและคำว่าจิตใจจะต้องจเจริญถึงขั้น จึงจะบรรลุมากพ้นได้นั้นในความหมายที่แท้จริงก็คือจะต้องมีคุณธรรมทั้งสิบอย่างนี้บริบูรณ์อันหนึง่งในบรรดาคุณธรรมต่างๆที่จะต้องฝึกอยู่เสมอและต้องฝึกอย่างมากด้วยก็คือทานบารมีคือการเสียสละซึ่งจะต้องเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต ซึ่งเป็นการเสียสละด้วยความเมตตากรุณาหรือด้วยการเห็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ประเทศชาติหรือเห็นแก่ความเป็นธรรมการเสียสละเช่นนี้ผู้ที่ปฏิบัติจะต้องมีคุณธรรมสูงและจะต้องเข้าใจเรื่องของชีวิตอย่างลึกซึ้งจึงจะทําได้สําหรับผู้ที่ตั้งใจเสียสละทําประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นโดยธรรมดาในระยะแรก ก็จะต้องมีการทำบาปหรือมีการทำผิดปะปนไปด้วยเสมอต่อเมื่อจิตใจค่อยสูงขึ้นการทำบาปหรือการทำผิดก็จะค่อยค่ยน้อยลงไปโดยลำดับจนกระทั่งในที่สุดเรื่องบาปจะไม่แต่ต้องเลยและคนเรากว่าจะก้าวขึ้นมาสูงถึงขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลานับเป็นร้อยๆพันพันชาติไม่ใช่ชาติเดียวเพราะฉะนั้นโดยธรรมดาคนที่เคร่งธรรมะ เมื่อตัวเองต้องอยู่ในสังคมต้องรับผิดชอบต่อสังคมและต่อบ้านเมืองเมื่อถึงราวจำเป็นและมีเหตุผลเขาเองก็อาจจะฆ่าคนฆ่าสัตว์หรือสั่งให้ฆ่าก็ได้อาจจะหลอกลวงด้วยการใช้กลอุบายหรือพูดเท็จอย่างไรก็ย่อมทำได้แต่ทั้งหมดที่ทำไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่เขาทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ แต่ถึงกระนั้นเขาก็จะมีหลักธรรมประจำใจอยู่เสมอไม่ใช่ทําแบบคนไม่มีศาสนาอย่างเช่นพวกลัทธิวัตุนิยมหรืออย่างคนที่ทำการทุจิตกันอย่างทุกวันนี้การทำบาปไม่ว่าในกรณีใดๆถ้าหากผู้นั้นพื้นเดิมเป็นคนยึด ม, มั่นในทางศาสนาและเลื่อมใสในทางศาสนาอย่างจริงใจการทำบาปของคนประเภทนี้จะมีเหตุผลเสมอ และเป็นความจําเป็นซึ่งจะไม่ทําไม่ได้และโอกาสที่จะทาอะไรเกินพอดีก็จะมีน้อยหรือทําอย่างป่าเถื่อนโหดร้ายทารุณเยี่ยงสัตว์ป่านั้นก็จะไม่มีด้วยแต่ทั้งนี้การสอนศาสนาจะต้องสอนกันด้วยเหตุผลสอนให้เข้าใจหลักความจริงด้วยการพิสูจน์ไม่ใช่สอนให้เชื่อกันตามเรื่องนิยายหรือตามประเพณีหรือสอนให้เชื่อกันอย่างงมงาย การสอนแบบนี้จะนำหลักศาสนาไปพัฒนาสังคมไม่ได้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาก็เป็นเพราะเขารู้ศาสนาเพียงแค่ประเพณีหรือรู้ตามความเชื่อถือที่สืบต่อๆกันมาโดยพิสูจน์อะไรไม่ได้หรือแม้เช่นนั้นก็ไปมองเห็นผู้ที่เคร่งรัดในทางศาสนาจริงๆนั้นทาอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะอยู่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้ หรือเพื่อเอาไว้เป็นที่บริจาคทานทำบุญเท่านั้นข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนในโลกมีหลายระดับาศาสนาก็มีหลายขั้นเราจะกะเกณฑ์ให้คนนับถือาศาสนาและปฏิบัติอย่างเดียวเหมือนกันหมดนั้นไม่มีใครทำได้การก้าวหน้าในทางจิตใจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามหลักในทางาศาสนา จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบ้านเมืองแต่อย่างใดยอมจะทํางานหรือประกอบอาชีพเช่นขุดบ่อเลี้ยงปลาตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นนักรบนักการเมืองนักธุรกิจนักการค้าได้ทุกอย่างโดยที่สุดแม้ว่าจะไปเป็นโจรแต่ถ้าเขานับถือศาสนาด้วยการเป็นโจรของเขาจะไม่ร้ายกาจเยี่ยงโจรที่ไม่นับถือศาสนาแน่นอน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอแนะนำให้รีบนำหลักทางศาสนามาแก้ไขบ้านเมืองและให้รีบทำอย่างด่วนที่สุดด้วยไม่เช่นนั้นแล้วทุกอย่างก็จะสายเกินไปแก้ไขอะไรไม่ได้จบเสียงงานพระอริยบุคคล เขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอ่านโดยอริยคุณเผยพระต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาผู้ร่วมจัดทาเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ทิรวัตรจันจรัตวัฒนาปัญญาโกจันรัตนนพุ่มพวงสิรวิจันจรัตวัฒนาทิติยาวัฒนานิมิตกุลครอบครัวสินสมบัติ รัชนีกรแสงสีนินรุงโรดสังปาทิติรัตและเกาธีรกุลพิสุทธิ์เจมส์อนสทีนทิศนาเจสดาวรังกูลรรจนามนทาทิบกุลนาพาพรปัญญารัตนคุณากรชัยยุทธอ่อนอินรวมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน สัพพะธานังธรรมะธานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปนะครับ